หนึ่งชาติสองชลาสามพยาธิสี่มรณะเกิดแก่เจ็บตายได้สี่แล้วนะแล้วก็โซกะาทุกขังโสกะโสกะโสกะาทุกไม่ปริเทวะนั่นคนละข้อกันนะโสกะกับไริได้เทวะคนละข้อ โสกาใช่โสกาความโศกปริเทวะนี่บนเพ้อแล้วก็ทุกขะทุกนี่ทุกทั้งกายทั้งใจนี่เป็นทารย์เจตัวยเนะไม่ใช่ทุกขะทุกโสการปริเทวะทุกขะทุกขะ เนี่ยทุกขาแล้วก็โทมนัสสานิทุกใจเนี่ยทุกทุกขานี่เป็นทุกกายโทมนัสนทุกใจอุปายาสอุปาญาตอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่มันแผดเผาอย่างแรงๆ แ, แห้งผากแล้วเหมือนน้ำมันใส่ไปในกระทะแล้วมันแห้งเลย แล้วก็อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขกับสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจปิเยหิวิปโยโคทุกโขเหใช่ยาปิดชังนรปติทุกขงังปรารถนาสิ่งใดนะไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วก็ปัญจุปาทานขันธาทุกขา เป็นสิบสามกองพอดีเลยเขาไปยังตอนธมนัสนี่ทุกใจเนะื้ออุปายาตอุ ป, ปอุ ป, ปายาสะใช่อุ ป, ปา อุ ป, ปาแล้วก็ยอหญิงเออไม่แค่ยอยักษ์สระอาสอเสืออุ ป, ปายาต ส, ส่อเสือยาสะตัวนึนนง <S <S 1> <S 1> ทุกที่แผดเผาอย่างรุนแรงเคยเป็นไหมแบบประเภทที่ช็อกเลยอะ่ะพอทุกแล้วมันชอ็อกแล้วก็มือเท้าหมดแรงไปเลยอะ่ะเคยเป็นไหมแบบว่าพอจะ้ยินปุ๊บมันนิ่ง นิ่งทำอะไรไม่ถูกไปเลยเคยเห็นคนทุกแบบนี้ไหม <c oughs> นี่แหละก็เรื่ออุปายาตเหมือนเหมือนน้ํามันที่ใส่ในกระทะแล้วมันแห้งถูกความร้อนเผาแล้วแห้งแห้งผากไปหมดเลยนั่นแหละโทรศัมันเผาแห้งไปเลยเคยเป็นแม่ยมบีเคยทุกแบบนี้ไหมรู้สึกว่าทุกแบบ หมดแรงเลยไปไม่เป็นเลยเคยเป็นใช่ไหมเดี๋ยวดูเรื่องทุกข์นิดหนึ่งนะที่บายตามชราทุกพย า, าธทิทุกขมรณะทุกขโสกปริเทวทุกขโทมน า, าสสะปายาสายำปิดชังนรพติดำบิทุ ข, ขัง สังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุคานะ<ม>สัจญานกิจญานกัตยานอย่าดูในรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งว่าตรงนี้ขยายไปไหมความตายเป็นทุกข์รู้จกักตอนนี้เราถึงความตายเป็นทุกข์แล้วยามปิดฉัง นรพติการไม่รับอารมณ์ที่ปรารถนาเป็นทุกข์ความปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คำนี้ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยอธิบายไปดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะเริ่มตั้งแต่โศกะโศกานี่เป็นความโศกความโศกนะ มีสภาวะทำให้จิตเนี่ยแห้งคำว่าโศกะเนี่ย <c oughs> เดือดร้อนละสัมละสายความโศกเนี่ยทำให้กัวลกระวายแห้งเหือดไปจะนอนก็ไม่หลับกินอาหารก็ไม่ได้เคยเป็นัหมเนี่ยเรืยอโศกะมาจากอะไรมาจากหนึ่งญาติพัดภาคจากญาติ ญาติพยาศนะญาติวิบัติญาติมีอันเป็นไปแล้วก็โรคค้าพยาศนะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนใช่ไหมแล้วก็ศีลบางทีก็ศีลวิบัติไปเนี่ยนะมันก็เป็นเหมือนกันนะโรคภัยไข้เจ็บเ อ, อยญาติเอยเนี่ยศีลตลอดถึงทิฏฐิทิฏฐิดีๆมันหายไปกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาก็ทุกโศกาเนี่ย น, นะ ก็คือว่าสมบัติก็ดีโพคาสมบัติทั้งหลายก็ดีเนะี่ยเบียดเบียนนี้เขาเรียกว่าโศกะทําให้สัตว์ทั้งหลายได้สวยทุกเวทนาแบบหนึองเนืองอยู่มีประการที่หนึ่งส่วนปริเทวะเนี่ยมันไม่ใช่แค่โศกอยู่ในใจมันผลักดันออกมาให้เป็นการร้องไห้ร่ําไรน้ําตาไหลฟูมไฟเลยนองหน้าเลยเคยเป็นไหมด้วยเหตุว่ามารดาบิดาหรือญาติเนี่ยตายเป็นต้นเหล่านี้นะ หรือว่าสมบัตินั้นเกิดวิบัติไปเนี่ยบ่นเพอ้อละเมอเหมือนเป็นบ้าทุกเวลาเลยสวยทุกขเวทนาเนืองนิดอันนี้เป็นปริเทวะกระทาให้จิตใจแห่งสัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนยินดิ้นลนอยู่เนืองๆไม่ได้ดิ้นลนบางด้านจิตใจเดี๋ยวผลักดันมาเป็นการกระทําเพอ้อลำพันบ่นเพอ้อร้อก็ร้องไห้เคยเป็นไหมเคยเป็นหนักไหมข้อ น, นี้ยปริเทวะร้องออกมา อมผู้หญิงใหญ่เคยเป็นบ่อยไหม s> <S เคยนะโอ้โหทุกก็เคยนะโกศกก็เคยปริถีว่าทุกกระทุกเนี่ยกายยี่กลางทุกขังอาซาตังก็คือทุกไปทําให้น้ำทาให้หดู่ทอดถอนแล้วเนี่ยด้วยทุกกันบังเกิดแล้วแต่พอเกิดโรคภยคัยไข้เจ็บที่มันเบียดเบียนที่กายตนเองนี่ทุกกายแล้วเคยเป็นไหมป่วยหนักๆแล้วก็โดนของมีคม โดนเคียนตีโดนกะระทำโดนทุบโดนตีทั้งหลายเนี่ยตอนเป็นเด็กๆ เ, เคยโดนตีโดนลงโทษไหมนี่นแหละทุกข์กายหรือเห็นคนทั้งหลายที่เขาโดนกะระทาเห็นเขาทุกข์กายทั้งหลายก็เกิดสลดใจเนี่ยบอกเกิดมาแล้วทำไมคนเราต้องมาสบความทุกข์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกทุกข์กายซึ่งเราเห็นยินอยู่ใช่ไ เดินไปเหยียบตอเหยียบหนามหกล้มโดนกนระทําเคยไหมเม้งเคยไหมผู้กายเกิดจากโรคภัยแค่เจ็บต้องไปหาหมอหมอผ่าตัด <c oughs> เคยไม่เคยเจยียบทรมานเดี๋ยวเดือนนึ่งไปหาอีกแล้วเดือนหนึ่งไปหาอีกแล้ ว, ว, ลวบ่อยไหมเดี๋ยวก็ทิมแทงอยู่นั่นแหละเนี่ยทุกเนี่ทุกกระทุ ก, ทก ธอมนัทเนี่ยเป็นเจตสิกกลางอะสะอาดตังเจตสิกกลางทุกขงังอะทุกที่ประกอบกับจิตทำจิตทั้งหลายให้เกิดความแค้นเครืองแค้นแน่นอุระเนี่ยนะไม่มีความสุขไม่มีความให้น้อยใจไปทุกเมื่อทุกอันนี้เขาเรียกโทมนัทเคยเป็นไหมมันทุกในใจน้อยใจทําไมเขาว่าเราอย่างนี้ ทำไมเขาถึงไม่เห็นความดีของเรามันทุกข์ใจคิดทีไรน้ำตาก็าคลอเล็กเดียวแต่มันไม่ถึงขนาดสะอื้นออกมานนเนี่ยมันรู้สึกว่า ม, มันเนี่ยเราทำดีกับเขาขนาดนี้ทำไมเขาต้องมาทำกับเราอย่างนี้ด้วยเคยเป็นไหมล่ะโหเป็นทุกข้อเลยนี่นี่แหละทุกข์ นั่งมือลอยเลยนะดีนะมองอะไรไปมันรันทดใจเลยธมนัตเนี่ยรันทดมากรู้สึกมองไปที่ไหนมันไม่ลื่นล้มเลยอะได้เป็นไหมมองไปหนะที่ไหนเนี่ยเขาสนุกสนานกันเราไม่มีความยินดีอะไรกับเขาเลยบางคนชอบมากชอบธมนัตมากเลยก็คือทําจนชินเนี่ย ทำแล้วก็รู้สึกว่ามีใครจะมองเราไ้ยเขาจะเห็นใจเราไหมอะไรก็แล้วแต่เรามอ ง, มองไปแล้วก็เหม่อ้อยโท ม, มนัตน้ำตาคลอแต่ไม่ถึงขนาดวยวายออกมาหรอกแต่มันรู้สึกมันอยู่ข้างในอ่ะมันอยู่ข้างในก็คือเขาสนุกกันก็ไม่สนุกเขาหิวกันเขาไม่หิวเขาอยากดูหนังดูละครไม่อยากดูอะไรทั้งนั้นเลยรู้สึกว่าชีวิตมันโท ม, มนัต ในใจตลอดเวลาเลยเนี่ยมันทำให้รู้สึกเครองแค้ น, น, นแน่นๆไปในอกเนี่ยมันแน่นอยู่งั้นเนเคยเป็นไหม <c oughs> ฉันใช้กับมันแน่นในอุทธรแน่นในอกน้อยใจไปทุกๆเมื่อทุกอันนี้แหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าโทมนัสส่วนอุปายาสทุกก็คือว่าทุกจากการเสื่อม ดูก่อนพิกษูทั้งหลายทุกกันดใดบังเกิดสะอื่นอะไราด้วยแค้นใจเพราะความวิบัติแห่งญาติของมารดาบิดาเป็นต้นเหล่านี้ปุปายาศาสเนี่ยท่านบอกว่ามันแรงมากเหมือนน้ำมันเวลาน้ำมันที่คนใส่ไว้ในกระทะนะที่ใส่ในกระทะเนี่ย ทีนี้เวลาน้ำมันมันเดือดพันพันพันพันพันพันขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่มัน zag, เดือดพันพันพันเนี่ยเหมือนปริเทวะไอ้น้ํามันที่มันกําลังงวดลงงวดลงงวดลงนั้นเป็นทมนัสนะถ้าใหญ่อย่างที่มันงวดลงที่ยังไม่แห้งนั้นเป็นทมนัตเหมือนอย่างนั้นแหละคนบางคนเนี่ยเวลาถ้าหากมันเพลือออกมาลำพันธุ์ออกมานี่เป็นปริเทวะนะอุปาญาส์ส่วนถ้าทอมนัตเนี่ยแปลว่ามันมันไม่เพลือออกมา แต่มันรู้สึกแค้นเคืองอยู่ในใจวอกงั้นเถอะมันรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจแค้นเคืองอยู่ในใจนั่นแหละมีความรู้สึกมันแน่นในอกเนี่ยอันนี้เป็นพมนัทถ้าปายาตก็คือมันแห้งเหมือนน้ามันที่แห้งผากในกระทะหมดเลยถ้าปายาาส์มันแห้งผากเลยถ้าเพราะโสกา่ามันเกิดภายในใช่ไหม ทำให้จิตแค่เดือดร้อนปริเทวามันก็เกิดขึ้นน้ำตาไหลฟูมฟูมฟูมฟู ม, ฟมบนเพลิอออกมาถ้าทันแน่นในอุลางก็เป็นโทมนะแต่ถ้าอุปายาส า, ศานี่โอ้โหมันแบบว่าหมดแรงเดินไม่ได้ไปไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนช็อกลงไปเล ย, ยงั้นเนี่ยมันหมดไปเลยนะ่หมดเลี่ยวแรงหมดอะไรเคยเคยทุกข์ึนขนาดนี้หมเมงเคยเป็นไหม โอไม่เคยเลยแสดงว่ายัางไม่ทุกจริงต้องไปไฟไหม้บ้านหมดเงี้ยนะลูกก็ตายแม่ก็ตายพ่อก็ตายมันหมดเลยนะไม่มีอะไรเหลือเลยอะมองเห็นปั๊บเนี่ยหมดเหมือนเป็นลมลม้มลงเลยหมดแรงไปเงี้ย <c oughs> นี่เหมือนในอุบายาศาสตร์นางปาัตตาจราในยบ่นเพอ้อบ่นเพอ้อบ่เพอ้อแบบขาดสติไป เท้าปายาศาส์นี่มันแปลว่าสุดหมดเคยไหมเคยเป็นขนาดนี้ไหมหนักนะนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ส่วนอปิเยหิสัมปโยโคทุโขแปลว่าอะไร มิได้เป็นที่รักปรารถนาะไม่ได้เป็นที่รักให้มิได้เป็นที่ชอบใจอปิเยหิสัมปโยโกทุกโขแปลว่าอะไรปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นใช่ไหมเป็นทุกข์ไหมปราถนารูปอารมณ์ไม่ได้รูปอารมณ์ปราถนาสัทธารลมคันธารม ล, าาลมลาสารลมโหดถาพลมทั้งหลายเหล่านี้ยก็ ไม่ได้สมปรารถนาทุกไหมหรือบางทีเนี่ยอยากจะให้สิ่งที่เราตัวเองไม่ปรารถนาะไม่รักไม่ใคร่ไม่ปรารถนาะอยากเมันพ้นๆไปเนี่ยนยปีเยหิวิปโยโคทุกโขหมีแปลอะไร ทัดพลากจากพ่อแม่ปิดามาดาบุตรภรรยาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ก็หรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้นี่เป็นทุกข์เนี่ยลักษณะอย่างนี้เาดูก่อนความปรารถนานี่ย่อมเป็นทุกข์นีเป็นทุกข์ประการต่อมาก็ย้ำปิดชังนรพติ นี่แปลว่าอะไรยามปิดชังเราปฏิตามปีทุกครั้งเมื่อกี้บอกพัดภาคจากของรักก็เป็นทุกข์ใช่ไหมปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ั้มอ่าถ้าโดยตัวของมันเองคือว่าปราถนาพระนิพพานแล้วไม่ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานก็เลยประสบ ชาติทิทุกชร า, าทุกพยาทิทุกมรณะทุกโศกกาพิริเทวะทุกขทมนะเสปาปลายายเข้าใจคำนี้ไหมเราตั้งจิตปรารถนาอยากจะนิพพานแต่ไม่ได้นิพพานเราก็เลยประสบอะไรต่อประสบชาติทิทุกชร า, าทุกพยาธิทุกมรณะทุกอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนี่แหละเขาเรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอย่างนี้ชัดไหมเขาเรียกว่ายามปิดฉังนราพติ ต่อมาก็มาว่าโดยย่ออุปาทานกันทั้งห้าก็เลยเป็นตัวทุกข์สังกิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาป ร, ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ไม่ได้สิ่งไม่ใช่ก็คือว่าประสบอับัยยะเหตุนั่นก็คือ ประสบกับสิ่งของที่ไม่ชอบมันเป็นทุกข์ทั้งสัตว์และสังขารทั้งหมดทั้งหมดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหมดแปลยากเนี้ จะทำไมไม่ต้องแต่ว่ากปรีเทวะทุกขโทมนัสอะปิเยหีสัมบโยโคทุกขโภมประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ใช่ไหมพรัดภาคจากสิ่งนั้นเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแล้วปรารถนาอะไรแต่เราไม่ได้นิพพานเราก็เลยต้องมาเจอชาติที่ทุกข์ชรลาทุกข์พยาที่ทุกข์มรณะทุกข์ต้องมาเจอความ โศกความร่ำรวยลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจต้องมาประสบอปิเยหิตสัมปโยคทุกปีเหหิวิปโยคทุกยำปีฉังนรปตินี่แหละนะเนี่ย แ, แ, แ, แล้วก็เลยมาต้องมาได้อุปาทานขันห้าต่อไปเนี่ยข้อปรารถนานิพพานแล้วไม่ได้นิพพานเพราะสัตว์โลกทั้งหลายก็อยากจะนิพพานกันทั้งนั้นอยากจะพ้นทุกข์กันทั้งนั้นแหละ แต่จริงๆไม่ได้นิพพานก็เลยต้องประสบทุกข์โดยหลักใหญ่จริงๆคือตัวนั้นโดยจุดหมายจริงๆคือตัวนี้ปรารถนานิพพานแล้วไม่ได้นิพพานก็ต้องประสบมาเกิดบ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆ เ, เจอไหมเนี่ยนี่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นถ้าร้องปรารถนาสิถ้าปรารถนาลูกแล้วได้ลูกทุกไหมทุกมาปรารถนาลูกได้ลูกก็ต้องไปไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่ดีไนะ มันไม่ใช่ความหมายนี้ความหมายจริงๆคือเราปรารถนานิพพานนี่แหละพอไม่ได้นิพพานมันเลยต้องมามีลูกมีสามีมีภรรยามีบุตรมีพ่อมีแม่แล้วก็มานั่งทุกกันอยู่นี่แหละ <c oughs> มาปรารถนาบ้านแล้วได้บ้านทุกข์หมทุกขเพราะการแสวงหากทุกขเพราะการรักษาไม่มีเลยที่ไม่ทุกข์ปรารถนาอะไรทุกข์ได้ได้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์อะไรทุกข์มากกว่ากันเน่ะ ทุกข์เพราะการแสวงหากระทุกข์เพราะการรักษาเนี่ยไหนทุกข์กว่ากันถ้าปรารถนาอยากจะได้ตาก็ได้ตามาได้หูได้จ ม, มูกได้ลิ้นได้กายได้ใจเพราได้มาแล้วทุกข์ไหมมิ้งทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ได้ไงเนี่ยโอ้โหจะออกกับมันยังไงเนี่ยต้องมาประคับประงมมาดูแลมันอย่างงี้ไม่ทุกข์หรือเนี่ย นั้นคำว่ายามปิชังนรปฏิตามปีทุกขงเนี่ยปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ต้องบอกว่าปราถนานิพพานแล้วไม่ได้นิพพานจึงต้องประสบชาติทุกข์ชราทุกข์พยาทิทุกข์โมระทุกข์โสกะทุกข์ปริเวเทวทุกข์เป็นตัวเหล่านี้จนถึงจึงต้องมาไต้ปัญจุปาทานขันธาทุกขา เนี่ยถ้าเราได้นิพพานเสียเรายังจะต้องมามีขันห้าอยู่ไหมมีไม่มีใช่เพราะเราไม่ได้นิพพานเราจึงต้องมาแบกขันธภาลาขึ้นมาอีกเลยต้องมาแบกกองทุกข์อีกเจ็บปวดไหมนาเจ็บปวดไหมนี่ปรารถนาอะไรปรารถนา น, นิพพานแล้วไม่ได้นิพพานเลยต้องมาเกิดบ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆกันอยู่นี่แหละนี่แหละ โดยใจความจริงๆโดยพุทธประสงค์เนี่ยหมายถึงตัวนี้แต่เราก็คิดกันธรรมดาก็ได้แต่มันไม่ถูกเนี่ยแล้วปราถนาอยากจะมีบ้านพอไม่มีบ้านทุกไหมถ้ามีขึ้นมาทุกหรือไม่ทุกทุกอีกแล้วมันจะเข้าข้อนี้ได้ยังไงยำปิดฉังเนรปฏิตามปิดทุกครั้งเนี่ยปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น นั้นก็เป็นทุกข์ก็คือปรารถนานิพพานแล้วไม่สามารถเข้าถึงอนุ ป, ปาทาปริณนิพพานได้เลยทุกเลยนี่ที่มานั่งทุกกันอยู่เนี่ยว่าโดยย่อก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่แหละเป็นตัวทุกข์อุปาทานก็แปลว่าถือมั่นเป็ชื่อแห่งตัณหา สังคีตนาปัญจุปาทาเหตุเป็นที่เกิดแห่งกองทุกทั้งปวงมีชาติทุกข์เป็นต้นยาำปิฉังนรปติทุกขังเนี่ยเป็นปริโยสารเนี่ยผู้มีปัญญาปรารถนาจะตัดสู้ทุกขศัจจะก็ต้องพิจารณาดังได้พัรณามีทั้งหมดเพราะงั้นต้องพิจารณาทุกข้อทุกประเด็นถ้าอยากจะเข้าใจชาติทุกข์ก็ต้องเข้าใจชาติทุกข์อย่างลึกซึ้งชาลาทุกขพยาทิทุกมรณะทุก โสกะทุกปริเทวะทุกทุกขาทุกเนี่ยนะโทมานัสสะทุกและอุปายาสะทุกแล้วก็อปิเยหิตสัมปโยฆาทุกปีเยหิวิปโยฆาทุกแล้วก็ยำปิดฉังนรปติทุกขังแล้วก็ปันจุปสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาทั้งหมดเหล่านี้เพราะมีรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละมันเลยกลายเป็นตัวทุกที่เราต้องแบกทุกันอยู่ล่วงไปเลยเนี่ย นี่ชัดเจนเลยนี่ทุกข์สัจจะอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เริ่มมองเห็นหนี่ยังเนี่ยเบียดเบียนเนี่ยนะย่อมเบียดเบียนเอขันห้านี่แหละมีชาติที่ทุกข์เป็นต้นเหล่าเนี้ยเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายมันที่จริงมันวิปริตต่างๆอยู่ตลอดเวลาในะทั้งรูปขันธ์นามขันธ์รูปขันธ์ รูปธรรมว่าทําไมจึงเรียกว่ารูปขันจึงเรียกว่ารูปธรรมก็เพราะว่ามันจะต้องวิบัติเสื่อมไปเพราะความเย็นและความร้อนเป็นต้นมันมี ม, มีความเย็นและความร้อนเป็นปฏิปักษ์มันก็มาเบียดเบียนมาบีบขันทําให้รูปขันนี่แตกสลายอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยเป็นนามธรรมเนี่ยน้อมไปในอารมณ์ทั้งปวง น้องไปหารูปบ้างไปหาเสียงบ้างไปหากลิ่นรสผดผ้าแล้วก็ทำอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเลยแตกดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้ปฏิบัติเ้าเรียกโยคาวจรผู้มีปัญญาเนี่ยถ้ารู้แจ้งรูปธรรมดังนี้แล้วก็ปรองทำมาสังเวชในรูปธรรมและนามธรรมก็ยึดน่วงเอามาเป็นอารมณ์อารูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์จเจริญ ทุกขานุปัสสนาว่า ง, งั้นเอยเดชะการว่าไงนามารู ป, ปังทุกขังบอกว่านามรูปนามธรรมรูปธรรมเนี่ยย่อมประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยอะไรชลาทุกไหมชลาทุกตลอดเวลาไหมพยาธิทุก์มรณทุกข ไ, ไม่เว้นสักคนเดียวเลยให้คิดเ ง, ง, งี้ยว่างั้นเลย ให้มนติการบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆใคร่ครวญบ่อยๆว่อนนามรูปเนี่ยเหมือนมันมีชราทุกตลอดเวลาเลยเราไปด้ววิปริตตลอดเวลาอินทรีย์ข่ำค่าตลอดเวลาเลยพญาที่ทุกข์กับทุกจุดของอนูของร่างกายแม้รูปธรรมและนามธรรมก็ถูกเบียดเบียนบีบคั้นด้วยโรคใช่ไหมกิเลสก็เป็นโรคเหมือนกันแล้วก็โรคทั้งหลายที่มันเบียดเบียนรูปธรรมอยู่ก็เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตายทุกขณะไหม แตกดับทุกขนาดเป็นมรณะทุกเลยเนี่ยเนาะไม่มีเว้นเลยบุคคลที่เป็นปุถุชนเนี่ยเวลาไม่ได้สดับพระธรรมเทศนานั้นน่ะขันทุกเกิดขึ้นว่าชราทุกพยาที่ทุกขมรณะทุกอ่ะมาถึงตัวปุ๊บสะดุ้งตกใจก็ร้องไห้เลยรตัวนี้อริยสาวกเมื่อได้ฟังธรรมของพระธรรคตแล้วเนี่ยเมื่อทุกทั้งปวงเกิดขึ้นมาก็ไม่ทุกข์ใจเพราะใช้ปัญญาเขาไปรู้ความจริงตรงนั้น แล้วก็ปรองด้วยปัญญาพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกเนี่ยจะมีฤทธิ์มากขนาดไหนจะมีเงินทองแก้วแหวนสักเท่าใดจะมียศมากขนาดไหนทุกเหล่านี้ไม่ได้เกรงกลัวท่านเหล่านั้นเลยไม่ว่าชรลาทุกขพญาทีทุกขมรณธทุกเบียดเบียนตลอดเวลาเนี่ยพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกทุกขะอาลีสัตว์ดันมีอยู่กับทุกบุคคลว่างั้นนี่เป็นความจริงของพระริยาเจ้าดิที่พระพุทธเจ้าตรัส พระพุทธเจ้าก็ดีพระปจเจกพุทธเจ้าพระทหารตรสาวกทั้งหลายท่านเห็นความจริงข้อเนี้ยก็เลยประกาศบอกว่านี่แหละทุกขังอริยสัจจังน่นี่เป็นความจริงของพระรยเจ้าเป็นความจริงที่ใครปรารถนาอยากอยากจะเป็นพระรยาเจ้าก็ต้องไปวิจัยแยกแยะเห็นความจริงในข้อนี้ <c oughs> แล้วจะได้ถ่ายถอนใช่ <c oughs> หไหมจริงๆเราไม่เคยเอาทุกทั้งสิบเอ็ดกองสิบสองกองสิบสามกองเนี่ยมาไข่ครวน ลองเอามาไข่ควรตลอดเวลาเวลานี่ไม่เหลือใช้ปัญญานะไปไข่ควรเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นเลยตอนเนี้ยแล้วจะให้เราไปยินดีเพลิดเพลินไม่เอาแล้วแล้วยิ่งไข่ควรบ่อยๆบ่อยๆมันจะเห็นจริงไม่จริงอันนี้ขนาดฟังแค่นี้ยังเห็นเลยลองเอาไปไข่ควรทีละข้อละข้อด้วย ท, ทีแล้วก็ไข่ควรจนชํานาญเมื่อไหร่ มองเห็นกายเป็นเนื้อเป็นตัวเมื่อไหร่ลองคิดดูที่ว่าตัณหาจะมีที่ตั้งไหมไม่มีเลยทาลายเกลี้ยงเลยแต่เนี้ยไม่ว่ามองไปในกระแสพบไหนภูมิไหนขันไหนมันวิจัยมาจนช่าชองแล้วเนี่ยโอ้ไม่เอาแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่นี่คือการวิจัยทุกข์สัตว์ให้เห็นทุกข์สัตว์ตามความเป็นจริง ที่เกิดมาเคยเคยไข่ควรแบบนี้ไหมเรานึกว่าเรานึกว่าไปไข่ควรละเอียดก่อนใช่ไหมใ้ยิงไข่ควรหยบหยาบนี่ก่อนจริงๆก็ไม่ได้หยาบนี่ยเนี่ยชาติทุกข์ี่ที่บรรยายมาหยาบไหมชาลาทุกข์โอ้โหความความวิปริตของอินทรีย์ทั้งหลายอ่ะผมคนเล็บฟันทั้งหลายมีชาลาเบียดเ บ, บียนตลอดเวลาพยาธิทุกข์ โอ้หความโรคทั้งหลายที่เบียดเบียนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ไปเห็นความจริงตรงเนี้ยลองวิจัยไปเรื่อยๆดิไอตัวไหนที่มันหยุดทําหน้าที่เขาเรียกมรณะทุกมันหยุดทําหน้าที่ของมันเนี่ยผมตายไปขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตายวุกใจตับปอดเนี่ยแม้แต่นามาทำทั้งหลายมันก็ตายทุกขณะตายทุกขณะยังไงเนี่ยไม่เหลือโอหไม่เอาแล้วเขาบอกว่าดีนะเนี่ยคนคนี้ดีนะโอไม่เอาแล้ว ใชโสกะปริเทวาทุกขะโทมานัสส์นี่มันตามมาในผลพวงผลผลได้เขาให้พิจารณาแบบนี้นะการไม่ได้รับอารมณ์ที่ปรารถนาความปรารถนาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราไม่พึงเวียนไหวใต้เกิดเราได้รับสิ่งที่ปรารถนาการไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนาเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้น สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาสิ่งนั้นๆย่อมเกิดความทุกข์ใจเพราะไม่ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาการปรารถนาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นเหตุแห่งทุกข์พระชษฐเจ้าจึงกล่าวว่าการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนานะเป็นทุกข์ย่อมบิชังนะระตัตปฏีเนี่ยก็เป็นทุกข์ดิปันจุปาทานะขันตาทุกขาสังเขกก็คือขันห้าทุกข์กันมีความเกิดเป็นต้นเบียดเบียน อุปาทา น, นาขันเนี่ยเหมือนไฟที่เบียดเบียนเชื้ออาวุธที่เบียดเบียนเป้าเหลือบและยุงที่เบียดเบียนโคกระบือเป็นต้นเนี่ยเบียดเบียนอย่างนั้นแหละชาวนาเก็บเกี่ยวก็เบียดเบียนไร่นาใช่ไหมโจรป้นสะดมก็เบียดเบียนหมู่บ้านช า, ชาติชาติชราพยาที่มรณะเป็นต้นเหล่า น, นี้มันเบียดเบียนอะไรเบียดเบียนขันห้าชาติคือการเกิดเบียดเบียนขันห้าไหม ชาลาคือความแก่เบียดเบียนขันห้าไหมพญาที่ความเจ็บไข้ทั้งหลายเบียดเบียนขันห้าไหมก็เบียดเบียนรูปขันเวทนาสัญญาสั้งขันวิญญาณเนี่ยบารณะคือการแตกดับของขันห้าใช่ไหมก็เบียดเบียนขันห้าเลยฉะนั้นถ่านถึงบอกว่าทุกเนี่ยมันเบียดเบียนอุปาทานขันเหมือนไฟเบียดเบือนเบียดเบียนเชื้อไฟไฟเนี่ยมันไปเบียดเบียนพวกไม้ที่เป็นเชื้อไฟไหม ทำให้ไหมทำให้หมดไปไหมเวลามันเผาไหม้ไหม้ไหม้ไหม้ไปเฉื้อไฟก็หมดเนี่ยเบียดเบียนเชื่อไฟอาวุธที่มันยิงก็ไปไปเบียดเบียนเป้าไหมเป้าที่เรือและโยงเบียดเบียนโคกระบือใช่ไหมชาวนาไปเก็บเกี่ยวข้าวแล้วไปเบียดเบียนนาโจรป้นสะดมก็เบียดเบียนหมู่บ้านชาติทุกเบียดเบียนอะไรขันห้า ชาติทุกเบียดเบียนเนี่ยทุกเพราะการเกิดเนี่ยมันเบียดเบียนตั้งแต่กะละละตั้งแต่เป็นน้ําใสๆแล้วก็อภุดท้าเป็นชิ้นเนื้อเป็นเนื้อแล้วก็เป็นเยเป็นสันฐานเหมือนไข่ไก่แล้วก็เป็นแตกออกมาเป็นห้าห้าห้าปมเนี่ยแล้วก็มาเป็นผมเป็นเล็บเป็นฟันหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกขึ้นมาเนี่ยที่มันไล่ไลตามมันเบียดเบียนตลอดนั้นเบียดเบียนไอตัวรูปขันเบียดเบียนนามขันด้วยว่างั้นเถอ เนี่ยชาตินี่ยเบียดเบียนชะลาก็ไปเบียดเบียนในขันห้านี่แหละบีบขั้นขันห้านี่แหละพญาทีก็ไปเบียดเบียนในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปเบียดเบียนกันห้ปถึงเบียดเบียนนามธรรมด้วยมรณะก็เบียดเบียนขันห้าความโศกก็เบียดเบียนขันห้าโสกะปริเทวาการบ่นเพ้อก็ไปเบียดเบียนขันห้าทุกข์กายก็เบียดเบียนขันห้าโรคภัยที่เบียดเบียนเนี่ยนะธมนัตทุกใจก็เบียดเบียนขันห้าอุปายาสะ ก็ไปเบียดเบียนขันห้าใช่ไหมอปีเยหีสัมปโยคาทุกระเบียดเบียนขันห้าปีเยหีวิปโยคาทุกก็เบียดเบียนกันห้าย้ำปีฉังนรปติตามปีทุกขาไปขันห้าปราถนาความปราถน า, ว, า, า, นาว่าอย่าได้มีขันห้าอีกเลยมันก็ต้องมีอยู่นี่แหละก็เลยไปเบียดเบียนในขันห้านี่แหละสรุปแล้วก็ว่าชาติทุกทั้งหลายเนี่ยไปเบียดเบียนอุปาทานขนันะเห็นหรืยังโอ <Oh, ้มันเบียดบียนกันหา้า นี่ทุกเนี่ยมีความเกิดเป็นต้นที่พระเจ้าตรัสโดยตรงเนี่ยทุกที่ตัดไว้เนี่ยท่านบอกว่าย่อมไม่เกิดขึ้นถามว่าชาติที่ทุกชราทุกพยาที่ทุกหมราณะทุกเนี่ยถ้าไม่มีอุปาทานขันห้ามจะเกิดได้ไหมไม่เกิดใช่ไหมพระเจ้ทาทรงชี้แนวนิพพานเนี่ยบอกว่าถ้านิพพานจะได้ เราก็ไม่ต้องเราก็เลือกเอาระหว่างสองทางเนี่ยเราจะเอาปาทานาขันหรือจะเอานิพพานแต่ที่ผ่านมาเราเลือกอุปาทานะขันตลอดเราเลือกตลอดแล้วเราก็เราก็ต้องเจ็บปวดกับมันตลอดใช่ไหมละ่ะนี่แหละคือทุกข์มองเห็นไีมอย่างต่เนี้อ้าวต่อไปเป็น ทุกขสมุทัยใช่ไหมอีทางโขปนาพิคเวทุกขสมุทยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจคือทุกขสมุทัยเป็นต้นเนี่ยเพื่อต้องการแสดงสมุทัยนี่นะได้อธิบายเรื่องสมุทัยแล้วว่าสมุทัยเนี่ยมประชุ ม, ชมเป็นตัวปรุงแต่งรู ป, ปรขนันเวทนาสัญญาสังขารเป็นเหตุด้วยนะเป็นอริยสัจที่สองเป็นเหตุให้เกิดทุกข มีการประชุมทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกนเนี่ยแต่เพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกขมาจะคําว่าอะไรนะ ย, ยายางตันหามาจะคําว่ายาบวกอายางตันหาเนี่ยโปโนพวิกาครับก่อให้เกิดพบใหม่ปุณณภวะก่อการเกิดพบใหม่เนี่ยฉันพูดถึงว่าตัวตันหาเนี่ย เป็นตัวก่อยเกิดพบเป็นตัวสร้างก็ได้ตัวก่อยเกิดก็ได้หรือนันทิราคาสัสากตาก็คือประกอบด้วยความยินดีพอใจ mm. ก็หมายถึงว่าประกอบด้วยความยินดีพอใจเพราะดำเนินไปไม่สละความยินดีพอใจในระยะการทั้งหมดหมายถึงอะไรตัณหาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะยินดีตลอดยินดีในการเกิด ยินดีในการเกิดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิภัณฑ์ที่บอกการมาตัญหาเนี่ยรูปปตัญหายินดีพอใจในรูปอารมณ์ซึ่งมาประกอบทางจากขุทวันด้วยอำนาจความยินดีในกามก็เป็นกามมาตัญหาไปถ้ายินดีพอใจในรูปเกิดร่วมกับความเห็นว่าเที่ยงราคาที่ประกอบไปด้วยสัจจาทิฏฐิก็กลายเป็นภาวะตัญหา ถ้าไอตัวราคาความยินดีไปประกอบกับความเห็นว่าขาศูนย์ว่าขาศูนย์พินาศไปอันนี้ก็เป็นวิภาวะตัณหามองเห็นไหมวิภวะตัณหากรารมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาที่เราเราเคยเข้าใจตัณหาสามประเภทนี้ไหมชัดไหมไม่ชัด ไม่ชัดเลยเอ้าใครเข้าใจการมาตัญหาภาวาตัญหาวิภาวาตัญหาอืมอืมอื ม, อม อเพราะว่าจ mm ้งนาเนี่ยอืมอืมอืม อ้อนอ้าวยอมบีเป็นงั้นไหมยังไงลองต่างตรงไหนการมาตัญหาบ่าวตัญหาวิภาวตัญหาออือือ นหนเข้าใจการมาตัญหาเพราะว่าตัญหาวิเพราะว่าตัญหาเหมือนยอมเข้าใจัหมเข้าใจยังไงอืมอืมอืม เราต่างกันไหมเมื่อกี้เนี่ยต่างไหมเม่งต่างไหมเนี่ยการมตั้หาเพราะว่าตั้หาที่เข้าใจกันเนี่ยการมตั้หาหมายถึงความอยากได้อยากได้ในสิ่งที่สําหรับเอามาสนองความต้องการทางภาษาทั้งห้าอยากได้อะไรอยากได้อะไรที่มา ให้อามาบำๆๆเลอตาหูจมูกเล่นกายเนี่ยมาสนองตรงนี้เป็นกรารมาตัญหามันมีเยอะเลยในพวกกลุ่มกามาตัญหาเนี่ยในกลุ่มความยินดีความเพลิดเพลินทั้งหลายเหล่านี้ทั้งเป็นวัตถุกรรมกิเลสกรรมทั้งหลายนี้มากมายเลยในเรื่องของกรารมาตัญหาใช่ไหมล่ะส่วนบวตัญหาเนี่ยเป็นความอยากได้สิ่งต่างๆที่มันสัมพันธ์กับภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความอยากในภาวะชีวิตที่อํานวยสิ่งที่ปรารถนานั้นๆถ้าในความหมายที่ลึกลงไปก็คือความอยากมีอยู่คงอยู่ของตัวตนที่จะให้เป็นไปอย่างนั้นตลอดไปที่จะเป็นไปแบบยั่งยืนภาว่ะตัณหาเนี่ยต้องการให้มันคงที่ให้มันยั่งยืนให้มันมั่นคงไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงแต่ความอยากความต้องการแบบเนี้ยอันนี้เป็นภาวะตัณหา ทวิภาะวะตัณหาเป็นความอยากให้ตัวตนน่ยพ้นไปให้ขาดหายให้พลาดหรือให้สูญสิ้นไปเสียจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งภาะวะชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ปราถนาตัณหาชนิดนี้แสดงออกในรูปที่หยาบเช่นความรู้สึกเบื่อหนาอ่ายเงี้ยเหงาหวาเวเบื่อตัวเองชังตัวเองสมเพศตัวเองอยากจะทําลายเงี้ยอันนี้เขาเรียกเป็นวิภาะวะตัณหาเคยเป็นไหมเคยเป็นหรือไม่เคยเป็น นะไม่เคยเบื่อตัวเองเลยหรือไม่เคยชังตัวเองเลยอยากให้สิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมันพ้นพ้นไปมีไหมนั่นแหละวิภาวะอยากให้มันพ้นพ้นไปไม่อยากให้มันอยู่ขวางหูขวางตาเคยเป็นไหมมันกระทบอัตตาตัวตนของตัวเองหรือเกินเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละ เอแล้วมันมันตรงกับที่เราเข้าใจมาไหมเนี่ยตรงไหมตรงความอยากที่เป็นไปกับความเที่ยงแท้เนี่นอนต้องการให้มันมั่นคงไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงต้องการให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป มีไหมตัณหาประเภทนี้มีไม่มีเคยเป็นไหมตัณหาประเภทนี้นี่แหละตัณหาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนี่ตัณหาหรือนี่เป็นสมุทัยนะเป็นเหตุในเกิดทุกตัณหาในการราคะที่เนื่องโดยกรรมคุณทัทั้งห้าพระกรรมมาตัณหา สัญหาในพบราคาความติดไข่ปรารถนาในรูปประพบอรูปภระพบก็ได้ความติดใจในฌานราคาที่เป็นไปพร้อมกับความเห็นว่าเที่ยงแสดงออกมาในรูปบวกของความปรารถนาพบนี่อธิบายตามหลักอธิบายแบบนี้เลยเนะเช่นไปติดใจในรูปฌานเนี่ยพอได้ฌานแล้วก็ติดใจอยู่ในรูปฌานในอรูปฌานเนี่ยในสมาบัตในรูปประพบในอรูปประพบเนี่ย ต้องการอยู่อย่างภาวะอย่างนั้นรู้สึกมันเที่ยงแท้มันมั่นคงดีเพราะถ้าไม่มีสมาธิไม่ได้สมาธิมันไม่มั่นคงพอได้ปุ๊บรู้สึกมันจะมั่นคงมันจะเที่ยงแท้แน่นอนอชื่นใจเนี่ยปาวิหาริ์ชัดไหยปราฏิหาริรูปภพอรูปภพเลยติดใจในฌานด้วยและความตัณหาประเภทนี้มันเกิดร่วมกับสัจธรรมทีิเห็นว่าเที่ยงมันแสดงออกมาในความปรารถนาพบปรารถนาภาวะที่มั่นคง ที่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยถ้ามันปรารถนาจะปรารถนาแบบนี้เลยนี่เป็นรูปเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นรูปรูปแบบออกมาอย่างนี้เลยต้องการแบบนี้ทำไมต้องการอยากเกิดเป็นพรมเพราะคิดว่าพรมนี่มั่นคงยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงทําทำไมต้องการอยากได้ชานสมาบัติรู้สึกมันได้ความมั่นใจมันมั่นคงใช่ม <c oughs> <c oughs> นี่มันเป็นอย่างนี้ มันรู้สึกใครความมั่นใจดีมันไม่เปลี่ยนเนยมีความสุขตลอดเข้าที่ไรก็สุขเข้าที่ไรก็สุขแหมอย่างอื่นแหมรู้สึกมันเปลี่ยนเร็วไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตัณหาต้องการเที่ยงแท้แน่นอนเคยเป็นไหมละ่ะถ้าใครจะมาลักเราก็ต้องรักเราตลอดไปไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงเคยมีไหมตัณหาแบบเนี้ยนีทวีปภาวะตัณหาก็ตัณหาในวิภพราคาที่เป็นไปพร้อมกับอุเฉตทิฏฐิ แสดงออกในรูปของความปรารถนาปรารถจากพบก็คือต้องเป็นไปกับความขาดศูนย์เลยความขาดศูนย์นี่เป็นอย่างนี้สรุปแล้วเนี่ยเรามีตัญหาทั้งสามประการครบไหมต้นไหนแรงนะ ความยินดีในความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะที่น่าปรารถนาน่าไข่น่าพอใจใช่ไหมต้องการเอาสิ่งสวยๆงามๆสิ่งที่ตนเองชอบมาตอบตอบสนองมาบมเลอบเบล อ, อะไรมาปนเปลออัตตาตนเองปนเปลือตาหูหจะโกลิ้นกายและใจ <c oughs> เป็นไหม <c oughs> ก็แยกออกไปได้เยอะเลย วัตถุกรมทั้งหลายเหล่าเนี้ยมีเยอะมากไล่นาที่ดินทรัพยบสริงคารทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแี่ยสที่ปรารถนาอยากจะได้เอามาตอบสนองอะไรที่เป็นเป็นความสุขที่ตาเห็นได้หูสัมผัสได้จมูกสัมผัสได้ลิ้นสัมผัสได้กายสัมผัสได้ว่าไงเถอะก็ปรารถนาอยากจะเอาสิ่งนั้นมาปนเปื้อมาบำเรอมาบำรุงตาหูจมูกลิ้นกาย ต้องการตอบสนองแค่ประสาททั้งห้าแค่นี้แหละลักษณะอย่างนี้ก็เป็นการมาตัญหาทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าไอ้กามาตัญหากับการมุปาทานในต่างกันยังไงต่างกันตรงไห น, นตันหาเป็นปใจใัจจัยเกิดอะไรเออเห็นไหมเนี่ยพอมีตัญหาแล้วตัญหาก็เลยเป็นปใจใัจจัยเกิดอุปาทานเนี่ยเป็นอย่างนี้ ตัญหาที่เป็นปัจัยเกิดอุปาทานเนี่ยมันเป็นยังไงความใฝ่ในการสนองความต้องการทางภาษาทั้งห้าใช่ไหมภาษาททั้งห้าเป็นกามอุปาทานความใฝ่หวงในความมีอยู่คงอยู่ของตัวตนตลอดถึงตัวตนจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้และการที่จะดับลงอยู่ในภาวะที่อยากเป็นนั้นอย่างยั่งยืนตลอดไปก็เป็นภาวะใช่ไหม ทีนี้ความเห็นความเชื่อถือความเข้าใจทฤษฎีแนวความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งมอบมาและยึดถือเชิดชูไว้ก็เป็นที่ถุประทานไปความหลงความไม่เข้าใจความไม่ตระหนักรู้และไม่กําหนดรู้ที่เป็นไปตามเหตุและผลตามคุณค่าและวัตถุประสงค์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นอาวิชาและความไม่รู้ถ้าบอกว่าเวทนาเป็นปใจใัจจัยเกิดตัญหาใช่ไหม ปัญหาก็เป็นปัจจัยเกิดอุปาทานนี่หลักปฏิจจสมบัติเป็นอย่างนี้แสดงให้เห็นชัดว่าอุปาทานนี่เวทนาสุขเวทนาพอใจไหมพอได้สุขเวทนาพอใจชอบใจติดใจอยากได้แล้วอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านได้รับทุกขเวทนาขัดใจแล้วเป็นยังไงอยากให้สิ่งนั้นสูญสิ้นลพินาศไปอยากให้ตนเองพ้นไปจากทุกขเวทนานั้นและอยากได้ แต่ดิ้นรนไปหาสิ่งอื่นที่จะให้สุขเวทนาต่อไปเมื่อได้รับอุเบกขาเวทนาก็รู้สึกเฉยเฉยก็ชวนให้เกิดอาการซึมซึมเพลินเพอย่างมีโมหะและเป็นสุขเวทนาอย่างอ่อนอ่อนที่จะทําให้ติดใจได้และก็เป็นเชื้อที่จะขยายออกไปเป็นความอยากได้สุขเวทนาต่อไปเห็นไหมเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยวเวทนาก็เลยเป็นปัจจัยเกิดตัณหาทั้งกา마ตัณหาปวัตัณหาวิภาวัตตัณหาเนี่ยมีเวทนาเป็น เป็นปัจจัยมีเวทนาเป็นเหตุใช่ั้ยอย่างว่าว่าสักครู่เนี่ยเวทนาเป็นปัจจัยเกิดอะไรตัณหาถ้าได้รับสุขเวทนาปุ๊บชอบใจติดใจอยากได้และอยากอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไหมอันนี้เป็นกามรมติหาพอได้รับทุกขเวทนาขัดใจอยากให้ทุกขเวทนานั้นสูญพินาศไปไหมอยากให้ตนเองพ้นจากทุกขเวทนานั้นไหม อันนี้เป็นวิภวะตัณหาถ้าอยากได้แสดิ้นลนไปหาสิ่งอื่นที่จะให้สุขเวทนาต่อไปใช่ไหมต้องการหาแสต่อไปถ้าได้รับอุเบกขาเวทนารู้สึกยังไงเฉยๆยชวนให้เกิดอาการซึมซึมเบินเพินไหมแบบมีโมหะแบบไม่รู้และเป็นสุขเวทนาอย่างอ่อนนะอุเบกขาเวทนาทำให้ติดใจได้ไหมได้เป็นเชื้อขยายออกไปในการที่จะพัฒนาไปหาสุขเวทนาต่อไป ถ้าเราต้องการอยากให้มันคงอยู่ทุกเวทนานั้นคงอยู่มั่นคงถาวรก็เป็นภพาะว่าตัณหาถ้าอยากได้เวทนานั้นมาตอบสนองอัตตาตัวตนตนเองเป็นกรรมตัณหาต้องการให้เวทนานั้นถาวรมั่นคงเป็นภพาะว่าตัณหาเจอทุกเวทนาขัดใจไม่ชอบใจต้องการให้พ้นต้องการให้อัตตาตัวตนเองพ้นออกไปก็เป็นวิภาวะตัณหาย่างชัดหมเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างเงี้ย ตัณหามันแสดงออกมาในรูปต่างๆนะเป็นการมตัณหาบ้างถ้าอยากได้ภาวะชีวิตเช่นความเป็นเศรษฐีความมีเกียรติความเป็นธรรมดาเป็นต้นเนี่ยที่จะอำนวยความปรารถนาตนเองเนี่ยให้สมปรารถนาก็สภาพตัณหาก็ขยายเบื่อนายหมดอะไรตายอยากตลอดถึงอยากตายเป็นต้นเหล่านี้อยากพ้นก็เป็นวิภาวะตัณหาเป็นต้นนี่นะมันเป็นปัจจัยเกิดเกิด การมติหาก็ได้เพราะว่าตัณหาวิพวตัิหาเป็นปัจจัยแต่ปฏิฆาโทสะเป็นต้นได้หมดเลยถ้าตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานเป็นยังไงเมื่ออยากได้สิ่งใดก็ยึดมั่นเกาะติดเหนียวแน่นผูกมัดตัวติดกับสิ่งนั้นใช่ไหมเป็นอุปาทานนี่ยังอยากได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งยึดมั่นแรงขึ้นเท่านั้นใช่ไหมในกรณีที่ประสบทุกขเวทนา อยากพ้นไปจากสิ่งนั้นก็ยึดมั่นในแง่ชิงชังต่อสิ่งนั้นอย่างรุนแรงจริงไหมพร้อมกับมีความยึดมั่นในสิ่งอื่นที่ตนจะดิ้นรนไปหาอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันัตราเท่าเดียวเท่ากันจริงไห่จริงเวลาเราถ้าเกิดความอยากปุ๊บมันก็ยึดมั่นก็ติดอย่างเหนียวแน่นกับสิ่งนั้นแล้วก็ผูกมัดเอาตัวตนเองไปผูกมัดกับสิ่งนั้น ถ้ายิ่งอยากได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งยึดมั่นแรงเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากประสบทุกประสบความเกลียดหรือไม่ชอบเป็นยังไงอยากพ้นไหมอยากพ้นไปจากสิ่งที่ตนเองยึดมั่นนั้นในแง่ชิงชังอย่างรุนแรงไหมเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราชอบเราชอบสิ่งนี้ เรารักแล้วก็ไปยึดแล้วก็ไปดึงออกมาตอบสนองอัตราตัวตนตนเองต่อมามันไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราปรารถนาเราชังอัตราของคอนชังมันก็ยึดแรงเหมือนกันก็อยากจะผลักสิ่งนั้นออกให้แรงที่สุดและในขณะเดียวกันเราก็อยากจะผันตัวเองเนี่ยเข้าไปยึดสิ่งอื่นอีกในสิ่งที่ตนเองชอบในสิ่งที่ตนเองปรารถนาในอัตราที่เท่ากันเนี่ยเท่ากับการที่ผลักตัวนั้นออก นี่เป็นอย่างนี้นะไม่เคยเป็นขนาดนั้นไหมนี่ฮะพร้อมกับสิ่งที่มีความยึดมัน่นสิ่งอื่นที่ตนจะด้นลนไปหาอย่างรุนแรงในอัตราที่เท่าเท่ากันมันก็เลยเกิดความยึดมั่นในสิ่งที่สนองความต้องการต่างๆยึดมั่นในภาวะชีวิตที่จะอําวยสิ่งที่ปรารถนายึดมั่นในตัวตนที่จะได้ที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วยังยึดมั่นในความเห็นด้วย ความเข้าใจยึดมั่นในทฤษฎีหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สนองตันหาของตนเทฤษฎีใดสนองความอยากของตนเองหลักการใดสนองความอยากตนเองบุคคลใดสนองความอยากตนเองรูปแบบใดสนองความอยากตัวเองมันเข้าไปยึดในอัตานั่นแหละเลข้าไปยึดเลย <c oughs> ตลอดถึงยึดมั่นในแบบแผนด้วยวิธีการต่างๆที่จะสนองความต้องการอัตตาตัวตนาก็กลายเป็นอุปาทานเต็มรูปแบบเลยอุปท า, านก็เลยไปขยายเป็นสีเลยในนี้ย ขยายเป็นกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีระพตุปาทานอัตวาทุปาทานใช่ไหมเอากามุปาทานคืออะไรกามกามุปาทานคืออะไรความยึดมั่นในกามความอยากได้ดิ้นรนแสหายึดมั่นติดพันในสิ่งที่อยากได้นั้นเนะ่เมื่อยึดมั่นเพราะอยากสนองความต้องการให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วมันก็กลัวสิตีเนี้ยกลัวจะหลุดลอยกลัวจะพากไปถึงแม้มันจะผิดหวังหรือพากไปก็ยิ่งปักใจมั่นด้วยความผูกอะไรด้วยตเนี้ยผูกใจอะไรหาไอความยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นอย่างแน่นแฟ้นเนี่ยเพราะสิ่งสนองความต้องการนั้นๆมันไม่ให้ภาวะที่เต็มอิ่มมันไม่ให้ภาวะที่เต็มอิ่มหรือสนองความต้องการได้อย่างเต็มเต็มขีดนะเต็มขีดที่อยากได้นั้นจริง แต่ละครั้งแต่ละคราวหนึ่งหนึ่งมันก็พยายามจะเข้าถึงขีดที่เต็มอยากนั้นด้วยการกระทําแล้วกระทาอีกกระทําแล้วกระทาอีกให้สังเกตด้วยที่มันมันอยากจะสนองความอยากความต้องการให้มันเต็มอิ่มเต็มอัตตาศึกมันมันไม่เคยมันไม่เคยให้เต็มได้เลยนะไอ้ตันหาเป็นพระยากรุปทานการรุปทานมันก็ไม่เคยมันตอบสนองได้เต็มที่ไหมเต็มอยากได้ไมไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะ ทำไมมันมจึงไม่สามารถตอบสนองความอยากได้เต็มที่เพราะอะไรตอบได้ไหม เ, เพราะอะไรทำไมสิ่งนั้นมันจึงไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราให้เต็มอิ่มเต็มที่เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของตนที่แท้จริงมันไม่ใช่ของตนที่แท้จริงมันมีที่ไหนแล้วตัณหามันหลอก มันจึงต้องยึดมั่นไว้ด้วยความรู้สึกจูงใจตนเองว่าเป็นของตนเป็นของตนในแง่ใดแง่หนึ่งมันเลยหลอกอย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปยึดมั่นว่าบ้านเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเราเนี่ยเราพยายามเติมเต็มทุกแง่ทุกมุมอเพื่อต้องเพื่อจะได้มันเต็มอิ่มเต็มอยากแต่มันไม่เคยเต็มอิ่มเต็มอยากทําไมบ้านจึงไม่สามารถสนองความอยากของเราได้เต็มอิ่มเต็มที่เต็มความสามารถเต็มใจที่เราอยากจริงๆเพราะมันไม่ใช่ของเรา ก็มันเป็นกกพันธรรมชาติมันเป็นวันอยู่อย่างนั้นคุณจะไปโหยหาอยากยังไงสมมุติยังไงหรือว่าไปใช้เหตุปัจจัยยังไงไปปรุงแต่งใจยังไงหลอกตัวเองยังไงแวดล้อมยังไงมันก็ไม่เคยเต็มอยากมันก็ไม่เคยเต็มอิ่มเหมือนกับว่าลูกของเราเนี่ยเอาที่ลองอยากดิที่ให้มันเต็มอิ่มเลยที่ว่าลูกเราลูกเราลูกเราตรงไหนเป็นลูกเราผมก็ลูกเราขนก็ลูกเราเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันลูกเราลูกเราลูกเราคิดทุกแง่ทุกมุมแหละตามเชื่อสายตามสืบ พันมาอะไรก็ว่าแล้วเลยมองให้ทุกแง่ทุกมุมมันไม่เคยเต็มอิ่มเต็มอยากได้เต็มที่เพราะมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงแต่มันหลอกตัวเองตัณหามันหลอกเนะยตัณหาเนี่ยมันหลอกโมหะไม่รู้ตัณหาอยู่ด้านหน้าโมหะอยู่ด่านหลังเป็นรากของของของตัณหามันก็พยายามยื้อยดฉุดกระชากว่ามันลูกเรานะลูกชั้นนะในแง่ใดแง่หนึ่ง แต่มันไม่สามารถสนองความอยากความต้องการได้เต็มอิ่มเต็มที่เต็มความเต็มเต็มที่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วจริงๆมันใช่ของเราไหมใช่ไหมมันมีที่ไหนล่ะเรายังไม่มีเลยแล้วของของเราจะมีแต่ที่ไหนใช่ไหมเรายังไม่มีแล้วของเรามันจะมีแต่ที่ไหนล่ะโหพูดยากเนะ้อตรงนี้เริ่มเข้าใจไม้มในเนี้ย ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงดังนั้นถึงเราจะอยากจะต้องการอย่างไรหลอกได้มันต้องยึดมั่นด้วยความรู้สึกจูงใจตัวเองว่าเป็นของตนเอาเป็นของตนในแง่ไหนในแง่ใดแง่หนึ่งมันต้องยึดเขาไว้ก่อนเพราะตัณหามันจะเป็นอย่างนี้ความคิดจิตใจของบุคชนเนี่ยมันก็เลยยึดติดผูกพันอยู่กับสิ่งสนองความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไอ้ความคิดในลักษณะนี้มันไม่ปลอดโปร่งไม่เป็นอิสระ และมันเป็นกลางไม่ได้มันเป็นกลางไม่ได้เป็นมัชฌิมาไม่ได้ถ้าตราบใดเป็นกามตัตหาเป็นบวตัญหาเป็นต้นหรือเป็นอุปาทานเป็นกางอุปาทานแล้วมันเป็นกลางได้ที่ไหนปลอดโปร่งก็ไม่ได้เป็นอิสระก็ไม่ได้ไม่สามารถดําเนินกระแสชีวิตเข้าสู่มัชฌิมาปฏิบทาได้เลยไม่เข้าสู่ทางสายกลางได้เลยไม่เอียงไม่เอียงเอียงไหมมันเอียงที่เป็นตัญหาไม่เอียงได้ยังไงเป็นอะไรเป็นกามัสุขคาริการุโยคหรือเป็นอัตตะกิลามัฐานุโยค นี่แล้วก็เป็นสุดตรงไหมสุดตรงไม่สามารถเป็นกลางไม่สามารถเป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้เลยชัดไม่ชัดเนี่ยต้องพูดขนาดนี้เลยถึงจะชัดยกจะหาเงีไหนมุมไหนพูดพยายามอธิบายอยู่เนี่ยมันเป็นมัชฌิมาไม่ได้ตอนนี้มันเป็นกางผุปรทานอยู่มันยึดมัน่นยึดมั่นเป็นของเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยนะอัตตาอัตตานิยะ อัตตาเป็นตนเป็นของตนเป็นตนเนี่ยนะอัตตนิยะนี่เป็นของของตนมันมีที่ไหนตนก็ไม่มีของของตนจึงไม่มีไปยึดที่เอาไปยึดอะไรรถของเราบ้านของเราทรัพย์ของเราบุตรของเราภรรยาของเราสามีของเราลูกของเราเกียรติยศของเรามันต้องไปหลอกไปย้อมใจแงใดแงหนึ่งนะแล้วมันเต็มเอี่ยมไหม ทติเต็มได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงใช่ไหมแต่ตั้นหามันก็กล่อมกล่อมทุกมุมใช่ของเรานั่นแหละไม่ใช่ของใครเราจะยึดผูกพันกับสิ่งสนองความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งมันปลอดโปร่งได้ไหมปลอดโปร่งไหมตอนนั้นใจอ่ะเป็นอิสระไหมเป็นมัจฉิมารวิดียปทาไหมเขาเรียกกับสุดตรงไปทางด้านไหน กามาสุขาีิกาเนยโยกนี่ยพอเราสวดกามาสุขานุนุริโยโคทุโขอานาริโยอานาตสานิโต้ไหฮีโนคัมโมโปปุตชนิโกอนาริโยอนาตสันิโต้นี่ฮีโนนี่ต่ำตามรามกด้วยคัมโมเป็นของชาวบ้านชาวบ้านก็คิดกันอย่างนี้แหละบุคคลที่ครองเรือนบุคคลที่หมกมุ่นในบ้านทั้งหลายก็คิดกันเนี้ยปุตชนิโกนี่เป็นของปุถุชนคนหนาแน่นได้กีฬา ก, กิเลศหนาปัญญาหยาบอานาริโยไม่ใช่ภรรยะภรรยาท่าไม่คิดอย่างนี้ อนัตสันหิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์สอดิผลเลยไม่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันไม่เป็นประโยชน์ในพบหน้าไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือปรมัตัยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานไม่เป็นไปเพื่อเพื่อความบ้นทุกเลยเนี่ยไม่เป็นมชิมาปฏิปทาเขาเรียกเป็นสุดตรงเป็นทางที่ไม่ควรจรไปไม่ควรดําเนินไปนั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมเราก้าวขึ้นสู่มชิมาปฏิปทาไม่ได้เพราะเรามีกา ม, มาตัณหาบวรตตัณหาวิภวตัณหา พราเราต้องมีการมุปาทานทิฏฐปาทานสี ร, ระพตุปาทานอัตวาทุปาทาน <c oughs> นี่เอียนชัดเลยแต่เนี้ยโอพูดไปพูดมาเดี๋ยวมีคนบรรลุยุ่งหนึ <c> ่ง <oughs> กลัวไหมไม่กลัวนะี่ยนี่ก็กลัวบรรลุเอ ง, งกลัวบรรลุม้าดูทิฏฐปาทานบ้างแต่เนี้ยความยึดมั่นในทฤษฎียึดมั่นในทิศทีต่างๆ ยึดมั่นในรัฐที่ยึดมั่นในทฤษฎียึดมั่นในทิฐิยึดมั่นในความเห็นยึดมั่นในรัฐที่ความอยากให้เป็นหรือไม่ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนต้องการย่อมทําให้เกิดความเอ็นเอียงยึดมั่นในทฤษฎีในทิฐิหรือในหลักปรัชญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เก้าที่เข้ากับความต้องการของตนเองด้วยนะที่ตนเองชอบตนเองชอบทฤษฎีอะไรหลักการอะไรโอ้ชอบ เข้าวิชาอะไรเข้าไปยึดหมดนะที่มันถูกใจอะ่ะมันถูกอัตราตัวตนเราอ่ะมันถูกกใจนะี่ถูกอัตนั่นแหละนั้นมนุษย์จึงมีความเอ็นเอียงชอบทิฏฐิชอบทฤษฎีชอ บ, ชอบปรัชญาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มันเข้ากับความต้องการเข้ากับความอยากตนเองเนี่ยความอยากได้ที่ความอยากได้นะไดสิ่งสนองความต้องการของตนเองที่ทาให ยึดมั่นในหลักการแนวความคิดความเห็นลทัทธิยึดมั่นในคําสอนที่มันสนองหรือเป็นไปเพื่อความสนองความต้องการของอัตตาตัวตนเมื่อยึดถือความเห็นหรือหลักความคิดอันใดอันหนึ่งว่าเป็นของตนแล้วเนี่ยมันผนวกอะไรเนี่ยผนวกกันเข้ากับความเห็นหรือหลักความคิดเรื่นั้นมันก็กลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นไปด้วยมันก็กลายเป็นว่าหนึ่ง ไอ้ทฤษฎีหลักการความชี้เนี่ยหลักการเนี่ยคําสอนเนี่ยละที่เนี่ยมันเข้ากับตนเองอัตตาตัวเองก็ไปชอบตัญหาไปชอบความเห็นนี่ยไปชอบพอไปชอบปุบ๊บเป็นไปเพื่อสนองความต้องการพอยึดถือความเห็นแล้วเอื้อมเป็นเราขึ้นมาเลยนะเขา้นานะเข้าเนี่ยมันยึดถือว่าความเห็นนี่เป็นของเราขึ้นมาเลยนะตอนเนี้ยทฤษฎีนี่เป็นของเราขึ้นมาแล้วใคร ชมทฤษฎีนี้ก็ชมเราไปด้วยใครตำหนิดาทอทฤษฎีนี้ก็ดาเราไปด้วยโอ้โห่ความเห็นกับเราเป็นอันเดียวกันหรือยังตอนนี้ยหลักปรัชญาหลักความคิดและที่คำสอนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเราแล้วสนองความอยากความต้องการตนเองนะมันก็พนวกความเห็นหรือหลักการความคิดนั้นเป็นตัวเป็นตนไปด้วยมัน มันจึงนอกจากจะคิดนึกหรือกระทาต่างๆไปตามความคิดเห็นแล้วเมื่อทฤษฎีหรือหลักความเห็นอื่นๆเนี่ยถ้ามันมีนะถ้ามีทฤษฎีมีหลักความเห็นอื่นๆมันมาแย้งมาขัดกับทฤษฎีหรือหลักหรือสิ่งที่เราเห็นอยู่เป็นยังไงแต่เนี้ยมันรู้สึกว่ามันคุกคามตัวอัตตาเราไหมมันคุกคามอัตตาตัวตนเรามากใช่ไหมล่ะถ้าเราเห็นแบบนี้เราเชื่อแบบนี้เรายึดมั่นหลักการนี้ แต่ถ้ามีทฤษฎีใ ด, ดหลักการใดมันมาขัดหรือแย้งกับความเห็นหรือความเห็นหรือความเชื่อขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวนี้อัตราตัวตนถูกกระทบไปยังโอ้ไม่เลอะเลยทีนี่กระทบใหญ่ถ้าใครเห็นต่างฉันก็ไม่ใช่พวกฉันเนี่ยถ้าใครตําหนิทฤษฎีฉันก็ต้องตําหนิฉันด้วยไอ้นี้มันก็ว่าฉันดีกว่าก็ฉันเชื่อมฉันอย่างเนี้ยโอ้โหที่นี่กระทบกระทั่งไหมไี้เนี้ย อทิศถีเนี่ยมันมาบีบคั้นเลยแต่เนี่ยมันคุกคามตัวตนมันก็บีบคั้นหรือมันจะทาลายตัวตนนั้มันทำให้ตัวตนตัวเองเสื่อมหรือด้อยลงพินพร่องลงหรือสลายตัวไปอย่างใดอย่างหนึ่งเออเวลามีใครมีหลักการใดๆที่มันมาขัดแย้งความเห็นเรามันทำให้อัตราตัวตนเรามันพร่องลงไหมมันด้อยลงไหมมันถูกเบียดเบียนถูกกดทับถูกบีบคั้นไหม เป็นไม่เป็นถ้าเราเห็นอย่างนี้มันถูกอย่างนี้มันดีแต่มีคนเห็นอีกอย่างหนึ่งว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีออกทฤษฎีหลักการของเขาเนี่ยมันมากระทบอัตตาตัวตนเราขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกยังไงตอนนั้นเนี่ยถูกกระทบไหมที่ว่าถูกกระทบมันขัดแย้งไหมเนี่ยมันคุกคามไหมคุกคามตัวตนของเราไหมมันบีบคั้นเราไหม มันเป็นการทำลายอัตตาตัวตนของเราให้ด้อยลงไหมมันต้องต่อสู้ไหมวิธีต่อสู้ทํำยังไง ร, รักษาความเห็นนั้นไว้เพื่อศักิ์ศรีเพื่อศัก์ <c oughs> ศรีความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ถ้าไม่รักษาไว้เดี๋ยวตัวตนมันจะหายมันจะพร่องมันจะก้นมันก็เลยมีการขัดแย้งมันแสดงออกมาข้างนอกแล้ว เป็นการถูกมัดตัวเองให้คับแคบไหมเนี่ยเป็นการสร้างอุปสรรคไหมสร้างอุปสรรคหรือไม่สร้างสร้างอุปสรรคอกักปัญญาของตนเองด้วย <c oughs> ทําเป็นคอกกักปัญญาตนเองเลยแทนที่ปัญญาจะออกมาทํำหน้าที่ได้เต็มที่ไม่ได้ออกมาแล้วดิกักเลยกักปัญญาไว้แล้วปิดกุญแจไม่ให้ปัญญาออกมาแล้วในนี้ความคิดเห็นต่างๆไม่เกิดประโยชน์ตามความหมายและวัตถุประสงค์อย่างแท้ของมันแท้จริงความเห็นนั้นมันต่างก็จริงมันน่าจะมีประโยชน์ใช่ไหม ถ้าเราไม่ไม่คับแคบไม่ติดตันไม่โดนกระทบอัตราตัวตนหรือเราขัดสละอัตราตัวตนออกไปมันจะได้ประโยชน์ด้วยนนเนี่ยความเห็นต่างอะไรต่างขึ้นมาเราสามารถจะเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้ทําให้ไม่สามารถถือเอาประโยชน์หรือจากความรู้ได้ไม่สามารถรับรู้ต่างๆได้เท่าที่ควรจะเป็นอทิฏฐิเหล่านี้มันจะกลายเป็นเอียงหรือไม่เอียงเป็นสัตธรรมทิฐิหรือเป็นอุเฉททิฐิเป็นได้หลายอย่างเลยนะเป็นกรรมมาสุขาริการุโยกหรืออัตตะกิรพัานุโยก นี่อัตรา ต, ตัวตนมาชัดเลยเนียมันไม่ยอมแล้วเธอเนี่ยทําตนเองให้ลําบากไหมเนี่ยเนี่ยอะไรไม่เป็นมัชฌิมาปฏิบถายอีกแล้วโเหมือนเนี่ยการจะเดินก็ส่วมัชฌิมาปฏิบทายากไหมโอ้โหเราเรานี่มีเองอุปาทานนี่เอ ง, เอ ง, เองโอ้โหเล่นยากนะยากไม่ยาก ไม่ยากแล้วอันนี้ใช่ความจริงไหมเนี่ยความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วตอนนี้เรายัางสมาทานที่จะให้มันเกิดอยู่ไหมไม่เกิดต่อมาเป็นสีละประตู ป, ป่าทานแปลว่าอะไรความยึดมั่นในสีลพจน์ความอยากได้ความอยากเป็นอยู่ความกลัวต่อการสูญสลายของตัวตน พวกนี้ไม่เข้าใจกระบวนการความเป็นไปของเหตุไปโดยธรรมชาติโดยเหตุปัจจัยธรรมชาตินมันประสมกับความยึดมั่นในทิฏฐิอย่างที่ได้กล่าวมาเนี่ยพอมันยึดมั่นในความเห็นยึดมั่นในทฤษฎียึดมั่นในลัทธิความเชื่อก็ทําให้ประพฤติตามๆกันไปอย่างงมงายในสิ่งนี้ยอมว่ามันดีบ้างมันศักดิ์สิทธิ์บ้างมันขลังบ้างเพื่อจะสนองความอยากความต้องการตัวเองใช่ไหมเราเห็นวิธีการต่างๆเยอะไหมโอ้ยทํากันมาเยอะเหมือนโอ้อย่างนี้ขลังเนอะ อย่าลบลู่นะศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อให้สนองความอยากสนองความต้องการตัวเองพวกนี้ไม่ได้มองเห็นความสัมพันธ์ในทางด้านเหตุและผลความอยากให้ตัวตนคงอยู่มีอยู่และความยึดมั่นในตัวตนมันแสดงออกมาภายนอกเลยทางสังคมในรูปแบบเลยนี่มันสร้างรูปแบบขึ้นมาแล้วรูปแบบแบบแผนพฤติกรรมต่างต่างอย่างก็ทํากันสืบกันมา่ะเป็นระเบียบเป็นวิธีเป็นขนมธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นลัฐที่พิธี เป็นสถาบันและก็ทำแบบแน่นอนตายตัวต้องเป็นอย่างนี <t t ้เท่านั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้อ้าก็เห็นไหมพิธีกรรมต่างๆระเบียบต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแบานั้นอ้าวแต่งตัวก็ต้องอย่างนี้เท่านั้นเป๊ะกลายเป็นอะไรนี่ฮะตายตัวเลย ต้องเป็นอย่างนั้นตระหนักในอย่างนี้ไม่ตระหนักในเรื่องความรู้ความหมายคุณค่าวัตถุประสงค์แล้วไม่เอาแล้วในอย่างที่มันจะเป็นไปกระเหตุกับผลกลายเป็นว่ามนุษย์เนี่ยสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อไปเพื่อกีดกั้นปิดล้อมตัวเองเรียบร้อยไปแล้วแข็งทื่อเลยตัวเนี้ยยากแก่การปรับปรุงยากแก่การที่จะเปลี่ยนแปลงอะแล้วก็ในที่สุดจริงจมนุษย์ก็ไม่สามารถได้ประโยชน์จากสิ่งที่สร้างขึ้นมาระเบียบพิธีกรรมทั้งหลายเลยแนที่ได้ประโยชน์มันกลับกลายเป็นตัวกีดกันตัวเองเลย มองเห็นยังเหมือนเงนี้ยเหมือนเราประพฤติในหลักศีลธรรมะข้อใดข้อหนึ่งอ่ะไม่ทราบความมุ่งหมายเขาให้ไปสมาทานศีลก็ไปสมาทานเขาให้ไปรับศีลก็ไปรับเขา้ไปปฏิบัติธรรมะอย่างไรก็ไม่ทราบจุดมุ่งหมายไม่นึกถึงเหตุและผลก็สมาทานเลยประพฤติธรรมะแต่เพียงแบบฉบับตามตัวอักษรตามประเพณีตามอย่างที่ประำประหลาทำกันมาว่างั้นเถอะไม่เข้าใจเหตุผล มันอาศัยว่าทามาจนเคยชินยึดถือจนเหนียวแน่นเลยกลายเป็นอุปท า, านชนิดที่แก้ไขยากซึ่งหมายถึงตัวทิฏฐินี่แหละไปยึดในแบบแผนไปยึดในพิธีกรรมเช่นถ้าจะไปหาพราเนี่ยถ้าถ้าไม่ไปมายังพันเต ว, วิสุงวิสุงละคณะฐานิลักษาไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ถูกไม่ถูก ต้องมายังพันเตวิสุงวิสุงละกนาทายาติสรเนนะสหาปัญจาศีลานิยาจามะเต้องว่าสามครั้งเนี่ยครั้งเดียวก็ไม่ได้ด้วยพระก็ต้องนโมทสสะภควะโตอรหะโตพระต้องพระต้องทําเสียงแบบนี้ด้วยถ้าทําเสียงอย่างอื่นไม่ได้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ขังจริงไม่จริง แม่พระก็ต้องทําอย่างนี้แล้วต้องมีตารางัดมาตั้งด้วยนะเห็นเคยเห็นไหมตารางัดนะไม่ตั้งไม่ได้ไม่ตั้งตารางัดไม่ได้เดี๋ยวไม่แข็งไม่ศักดิ์สิทธิ์ต้องรักยึดยึดถือไหว้แบบแผ น, นี่ยมีประเทศเดียวนะโมตสสะบคาวโตอะระหะโตต้องทำเสียงแบบนี้ต้องเก๊บเสียงด้วยอต้องเก๊บเสียงด้วยใช่ไหมเหมือนนั่งอยู่บนธรรมธาตุ อย่ตรงนี้เอาอีกแล้วยังบอกว่าระเบียบได้หมดเลยเด็กผู้ใหญ่ได้หมดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบเป็นพิธีกรรมไปหมดเลยจริงไม่จริงแล้วรู้สึกโอ้โหจะต้องทําไปลองคิดดูดิเข้าใจคำว่าศีลประตุประทานนี่ยังยึดมั่นแบบแผนพิธีกรรมต่างๆโดยไม่เข้าใจเหตุผลถ้าไม่ทําอย่างนี้รู้สึกว่ารักษาศีลไม่ได้ไปเอา เอาอยู่ๆแล้วเรานึกถึงศีลปุ๊บโดยไม่ต้องสมาธิไม่ต้องท่องเลยเนี่ยนึกแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติเลยได้ไหมได้ไม่ได้ยอมมีหญิงใหญ่ได้ไห ม, ไ, ห ไ, ไ, หมไม่ต้องไปท่องหรอกนึกเลยแล้วรักษาเจริญไปเลยได้ไหม <c oughs> ก็นั่นแหละด้วยหลักการคืออันนั้นแหละสมัยข้างพุทธกาลมีที่ไหนอ่ะไม่มีบอกเอ้ามามาบอกว่าพระเจ้าให้ท่องท่องท่องไม่มีเราเอาอธิบายเข้าใจแล้วไปรักษาไปเจริญไปฝึกเอา พอมาประเทศไทยสร้างรูปแบบขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้ต้องทำเสียงให้เป็นรูปแบบด้วยสีละพะตุป่าฐานสอเสือสะรีสอเสือไม่หันมหานากศเนี้ยแล้วก็ แล้วก็สอเสือตะขอไพล์ลอลิงลอลิงสอ่อเสือสระอีนะแล้วก็ลอลิงไม่หันอากาศพอพานสองตัวแล้วก็ตอเต่าปอปาสระอาพอทหารสระอานอนหนูอ่านว่าไงสีรพตัปปาารพตุปาทานสีรพัตุปลาทานอตอเต่าสระอุ ใช่นั่นแหละบาทานบาทานใช่ใช่ก็แปลว่าอะไรความยึดมั่นในศีลและพจน์ยึดมั่นในศีลและพจน์พจน์ตัวนั้นก็คือพอพานรอเรือต่อเต่าพัตตระพัตตระเนี่ยแปลว่าพจน์แป ล, แลว่าข้อปริบัติระเบียบทั้งหลาย สีรับตาปรามาตยปรามาสสัพท์นั้นแปลว่ารูปคำแปลว่าจับฉวยแปลว่าจับต้องเอาทิศทีเอาความเห็นเอาความเห็นผิดไปจับฉวยไปจับต้องนะมาอย่างงีป้ปรา ป, ปรามาตยปอปารอเรือเะอา มมาสระอสเสืออาจเป็นปรมาสาะนั่นแหละแปลว่ารูปคําแปลว่าจับฉวยไอ้ทิฏฐิเนี่ความเห็นผิดมันไปจับขึ้นมาพอความเห็นผิดไปจับรูปแบบขึ้นมาไปจับวิธีการขึ้นมาไปจับประเพณีขึ้นมาไปจับไปไปไปยึดหรือไปจับฉวยในรูปแบบหลักการขึ้นมามันเลยจับแบบทื่อเลยจับแบบแข็งทื่อจับแบบเป็นรูปแบบจับแบบเปลี่ยนแปลงไม่ได้จับแบบเอาจิงเอาจังมันไปเลย โอ้ oh, แต่เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแล้วใครจุดเทียนเล่มเดียวเนี่ยโกรธกันตายเลยเวลาไปบูชาพระรัตนาตายวิ่งท้องสองเล่มทําได้ยังไงเนี่ยไปจุดธูปดอกเดียวเนี่ยโหโดนด่าตายเลยนะถ้าไปจุดบูชาพระเจ้าต้องสามดอกสามดอกได้ไหมละ่ะไปจุดบูชาไอไปจับเคารพสอบเนี่ยไปจุดสามดอกไม่ได้เองโหโดนด่าอีกให้ดอกเดียววันก่อนไปว่าพระอาจารย์ครับ เวลาท่านเป็นพระตายเนี่ยควรจะจุดทูบกี่ดอกนั่นก็เลยกระซิบบอกว่ายอมอยากจุดกี่ดอกเอาที่เขาทำกันไม่อายอมมาอยากจัดจุดกี่ดอกไม่รู้เขาทำกี่ดอกคงจะทำตามนั่นแหละทำให้มันต่างก็ได้ยอมปไปเลยงั้นผมจุดสามเลยนะ่ะจุดไปเครับพอจุดสามพออีกคนหนึ่งบอกไม่ได้ไม่ได้ไ มันจุดดอกเดียวยังเลยเดินหนีมาเลยปดอยากนี่น่าขำไหมแล้วก็น่ารักดีมองให้น่ารักใช่ไหมมันยึดมั่นแล้วทำไงใช่มหมยึดมั่นแบบไม่มีเหตุมีผลแล้วแล้วไม่รู้จุดหมายว่าจุดทําไมจุดเพื่ออะไรไม่จุดได้ไหม เรื่องใหญ่มากทั้งคมไทยเนี่เวลาจะาาดธนาศีลเวลเม้งเคยให้ศีลไหมต้องทำเสียงต้องทำดําน้องไหหรือไม่ทำท๊อ คนเขก็พูดกันขำขำกันน่นะเย่ทำไมเขาถึงเรียกธรรมะต์เาอขึ้นไปนั่งวันนั้นต้องธรรมะ ต, ต้องเตะท่าหน่อยก็เลยเรียกธรรมะแล้วก็เขาไม่ไปพูดกันเลยเออไปพูดหน้าเกียรนิยิ่ไม่ใช่นี่ไปล้อเล่นกันมันไม่ใช่แบบนั้นคืออาสนะที่แสดงธรรมเขาเรียกธรรมะต์มันจะคําว่าธรรมะบวกอาสนะใช่ไหมล่ะ อาสนะหรือสถานที่ขึ้นไปแล้วแสดงธรรมแต่ไม่ใช่ขึ้นไปแล้วไปทำมาศไปเก๊กเสียงไปมันจะเป็นคนละเรื่องเนี <c> ่ย <oughs> ธรรมะเนี่ยฮเ <c oughs> ข้าใจใช่ไหม <c oughs> คืออาสนะที่ขึ้นไปนั่งบนนั้นแล้วจะได้ไปแสดงธรรมไปกล่าวพระธรรมแต่ไม่ใช่ไปนั่งทำมาศ <c oughs> ทำมาศเนี่มันไม่ได้ นี่คนก็ไปเข้าใจกันอย่างนันกันเร็วอ้โหแล้วผิดปกติเลยเจ้านี่แต่ก่อนก็พูดกับเราธรรมดาที่แหละพิขึ้นไปวันนั้นพูดผิดปกติไปเลยเนี่ <l ots> แล้วก็นึกโอ้โหถ้าใครขึ้นไปตรงนั้นเราต้องทําเสียงแปลกประหลาดนะพูดก็ต้องพูดช้าๆเนิบๆด้วยไปพูดเร็วๆไวๆก็ไม่ได้ใช่ไหมคิดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็สักดิสิทธ์ขังให้คนฟังก็ <l ots> <l ots> <l ots> <l ots> ไม่รู้เรื่อง นี่ก็ใช่ไงเรามาก็เอาคำพีร์ไปนั่งอ่านคนฟังก็ฟังไปพอเป็นพิธีกรรมก็ถือว่าทำบุญแล้วบางั้นเถอะมีการเทศงานศพงานแต่งงานว่าก็ว่าไปก็ต้องใช้ภาษาที่เราฟังแบบยากสุดๆนั่นแหละใช่หแถ้ามาพูดอย่างนี้เขาไม่เอาไปเทศใ น, นเนี้ยแบบนี้เขาไม่มีมาส ไม่มีว่ากหมดท่าเลยเข้าใจอย่างแต่นี่ว่าคำว่าสีระพตุปาทานเนี่ยมันเป็นการยึดอย่างเหนียวแน่นเป็นอุปาทานชนิดแก้ไขา ย, ยากมากต่างจากอุปาทานข้ออื่นๆเพราะมันยึดรูปแบบมันไม่ยึดแค่ความเห็นอย่างเดียวนะจากความเห็นมาปูเป็นรูปแบบออกมาเป็นพิธีกรรมออกมาเป็นเป็นเป็นพิธีกรรม เป็นศาสนาพิธีเป็นหลักการขึ้นมาเลยเป็นยึดมัน่นสถาบันยึดมั่นอะไรโอ้เยอะหมดสถาบันครอบครัวสถาบันทาหารสถาบันตำรวจสถาบันอะไรโอโ้ยึดมั่นหมดแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นโอโ้ยึดมั่นเลยเดินแล้วเราก็ถูกสอนให้ยึดมั่นอย่างนี้โดยไม่รู้เหตุรู้ผลโดยไม่เข้าใจจุดหมายที่แท้จริงจะ <laughs> ทำไงเนี่ย หน้าเหนื่อยแทนไหมเหนื่อยแทนใครดิแทนคนยึดมั่นหรือคนชี้แจงหนึ่งกามุปาทานยึดมั่นในกามสองทิฏฐุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิหรือความเห็นสามสีระพตุปาทานยึดมั่นในศีระพสตสี่อัตวาทุปาทานยายอัตตะ วาทุปาทานมันมาจากคำว่ายึดมั่นในวาทะว่าตัวตนเนี่ยก็แปลอย่างงี้นะยึดมั่นในวาทะว่าตัวตนก็คือยึดมั่นในอัตานี่เองว่ามันมีอัตราว่ามีตัวตนคือความรู้สึกว่ามันมีตัวตนที่แท้จริงนั้นน่ะมันเป็นความหลงผิดที่มันมีเป็นพื้นอยู่แล้วของทุกๆคนของบรรดาสัตว์โลกจริงไหม เราสเราตั้งแต่เกิดมาเราถูกสอนให้ยึดอัตตาตัวตนกันมาแล้วเข้าใจว่ามีอัตตาตัวตนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและยิ่งไม่ยิ่งมันเป็นพื้นสุดๆเลยแล้วมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกเยอะเลยที่ช่วยเสริมความรู้สึกอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นภาษาเป็นถ้อยคําเป็นสมมุติสําหรับที่สื่อความหมายมันเลยเป็นเหตุชวนให้มนุษย์เนี่ยที่ติดอยู่ในบัญญตัติมองเห็นสิ่งต่างๆแยกออกจากการเป็นเป็นตัวเป็นตนที่คงที่ขึ้นมาเลยเดี๋ยเนี้ย ใจความรู้สึกนึกน right. ั้นนั้น่ะมันกลายเป็นความยึดมั่นเพราะอะไรเป็นปัจจัยเพราะตัณหาความอยากนี่แหละเป็นปัจจัยเมื่ออยากได้ก็ยึดมั่นว่ามันมีตัวตนที่เป็นผู้ได้รับมันมีตัวตนเป็นผู้เสวยมันมีตัวตนเป็นผู้เข้าไปรับความสุขความทุกข์นั้นมันมีตัวตนเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีตัวตนที่เข้าไปสิงอยู่เยอะแยะไปหมดมันมีอัตตาตัวตนเข้าไปแฝงเข้าไปสิงอยู่มันกลายเป็นมีอัตตาตัวตน เต็มไปหมดเลยมัมีตัวตนเป็นผู้ถูกกระทําเป็นตัวตนที่เป็นผู้กระทําเป็นตัวตนเป็นผู้รับตัวตนเป็นผู้เสวยจริงไหมนี่ยมันถูกไอความรู้สึกนึกคิดแบบผิดๆทั้งหลายมันก็มีมาเป็นพื้นเทอ ย, อยู่แล้วเพราะอาศัยเหตุปัจจัยข้างนอกอาศัยสมมุติอาศัยบัญญัติอาศัยสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านี้โอยอัตราตัวตนเต็มไปหมดเลยแต่เนี้ยเข้าใจไหมลองปุ๊บก็บอกว่าแต่เข า, ก, ขาก็เริ่มตั้งบัญญัติให้เรายึดมั่นแล้ว ใส่ชื่อแล้วเข้าไปเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยนั่งเด็กใส่อะไรเด็กหญิงเด็กชายแล้วก็ใส่ชื่อกุ๊บปุป๊บเข้าไปให้ยึดอะไรแต่เนี้ยนะอยงนัเถอะแล้วก็บอกวันนี่พ่อนี่แม่ไล่แล้วเริ่มเริ่มเริ่มให้บัญญัติแล้วอันนี้เสื้อผ้าของหนูนี่รองเท้าของหนูนี่แว่นตาของหนูนี่สมุดของหนูนี่ปากกาของหนูเริ่มหรื อ, อยังมันจยากมีตัวตนปุ๊บมันก็มันยึดเราแล้วมันก็เริ่มให้ของของเราเต็มไปหมด แต่ไมเนาะไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็เป็นลูกมีเป็นลูกเป็นลูกไปอยู่กับลูกแล้วก็เป็นแม่ไปอยู่กับน้องเราก็เป็นพี่ไปอยู่กับพี่แล้วก็เป็นน้องไปอยู่กับลุงป้าหนนะ้าอาไปอยู่กับโอ้โหเยอะหมดเลยแต่เนี้ยสมมุติของเราอัตราตัวตนของเรามันเป็นอะไรไปทั่วม่วหมดเลยแต่เนี้ยเคยงงกับตัวเองบ้างไหมว่าเป็นอะไรกันแน่ <c oughs> งงงะ <c oughs> ตกกลงมันเป็นอะไรเนี่ย มันเปเข้าใจว่ามันมีมันมีตัวตนที่คงที่จริงๆความยึดมั่นมันมีไอ้ตั้หาเด้แหละมันมีตัวตนเป็นผู้ได้รับมันมีตัวตนเป็นผู้เสวยเวลาไปกินอาหารเนี่ยเวลาเกิดความรู้สึกอร่อยขึ้นมาเนี่ยมันมีอัตราตัวตนเป็นผู้อร่อยไหมมีไม่มีมีอัตราตัวตนเป็นผู้อร่อยอัตราตัวตนเป็นผู้ ชอบอัตราตัวตนเป็นผู้ไม่ชอบอัตราตัวตนเป็นผู้เคี้ยวอาหารเป็นผู้กืนอาหารมีอัตราตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องหมดเลยไหมเคยมีใครเข้าใจไหมว่าเนี่ยไอความรู้สึกดีใจและเสียใจสมนัตหรือโทมนัสตังางๆนี่เป็นเวทนาไม่ใช่เราเวทนาเป็นผู้เสวยเห็นไห ไอ้ที่จำเนี่ยไม่ใช่เราเป็นสัญญาเป็นผู้ไปจำไอ้ที่ปวงแต่งชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่เราเลยแท้จริงเป็นเป็นสภาพจิตที่เป็นกุศลอกุศลที่ไปเห็นเป็นต้นไม่ใช่เราเห็นแท้จริงวิญญาณเป็นผู้เป็นผู้เห็นแล้วมีใครสักกี่คนนี่มันจะไปวิจัยเห็นว่ามันไม่มีอัตตาตัวตนจริงๆไปสิงไปแฝงอะไรอยู่หรอกแท้จริงกระบวนของขันห้าที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มันลังดําเนินไปอยู่เอเข้าใจงี้มีสักกี่คนนี่ ไม่เห็นอีก <ś led> <ś led> ไงก็คือเนี่ยตรงนี้มันถูกฝังแน่นแล้วในความรู้สึกอย่างนี้นมันเป็นความรู้สึกว่ามีเจ้าของผู้มีอำนาจควบคุมมีตัวตนที่เป็นผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็ปรากฏว่ามีการบังคับบัญชาได้สมปรารถนาบ้างเหมือนกันเนี่ยก็หลงเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวชั้นตัวตนของชั้นเนี่ยที่มันเป็นเจ้าของเป็นนายสั่งบังคับทั้งหลายเหล่านี้ยแต่ความจริงแล้วไอ้การบังคับบัญชาเป็นไปตามเพียงบางส่วนและชั่วคราวเท่านั้นนะเพราะสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นตัวตนมันเป็นเพียงปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการของเหตุปัจจัยเท่านั้นใช่ไหมมันไม่สามารถบังคับบัญชาสิ่งต่างๆที่เข้าไปยึดได้ให้เป็นไปตามที่อยากได้อย่างถาวร อ, อย่างมั่นคงได้จริง ไม่สามารถบังคับบัญชาสิ่งต่างๆไปได้การที่รู้สึกว่าตัวตนเป็นเจ้าของควบคุมบังคับบัญชาได้อยู่บ้างแต่มันไม่เต็มสมบูรณ์จริงๆแค่นี้มันกลับกลายเป็นการย้ำความหมายมั่นในส่วนจริงก็ตะเกียกตะกายเลยเสริมความรู้สึกตัวตนแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นก็เลยยึดมั่นตัวตนที่เป็นอุปาทานก็ไม่รู้จักที่จะจัดการสิ่งต่างๆตามเหตุปัจจัยที่ให้มันเป็นไปตามอย่างนั้นก็กลับมองว่ามันสัมพันธ์แบบผิด ยกเอาตัวตนขึ้นมายึดไว้ในฐานะเจ้าของที่จะบังคับบังคับบัญชาหรือควบคุมต่างๆเลยเนี่ยสิ่งเหล่าเนี่ยเป็นไปตามปรัชนะตัวตนก็ถูกบีบคั้นยกตัวอย่างเช่นถ้ากระบวนการทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันอยู่แล้วแต่เพราะเรามีอัตตาตัวตนเราต้องการอยากให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาไอ้ตัวตนก็ถูกบีบคั้นถูกกระทบเกิดขัดแย้งเกิดความเครียดเกิดเคิอทุกข์มันไม่เป็นมชิมาปฏิปทานจริงนะที่สุดจริงๆมันก็นี่แหละ ถ้าติดเนีน่ยมันก็เลยเป็นคนที่มองอะไรไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเลยจริงไหม่สีิงอย่างเนี้ยอากาศที่มันร้อนเนี่ยเจ๊ไหมล่ะเราจะบังคับไม่ให้มันร้อนได้ไหมเนี่ยมันเป็นวันอยู่ใช่ไหมแต่บางครั้งเราเกิดไปทำได้ขึ้นมาไงมันก็นึกว่าเราบังคับได้เช่นไปหาพัดลมบังไปหามันก็เลยรู้สึกว่าเออเราสามารถบังคับได้ บ้างบางอย่งบางอย่างมันก็เลยสําคัญว่าอัตราตัวตนเป็นผู้บงการเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ บ, งบังคับแท้จริงแล้วทั้งหมดมันคือมันรู้กระบวนการของเหตุปัจจัยที่เขาไปสร้างสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยสร้างไปตามเหตุปัจจัยเป็นการปรับเป็นการทําไงเพื่อเออเราไม่ได้รู้รายละเอียดตรงนั้นไปซื้อมาเนี่ยก็เลยมาทําพอทําขึ้นมาปุ๊บเราก็นึกว่ามันบังคับได้แท้จริงมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นนั้นรายละเอียดตรงนี้ต้องเข้าใจยากไหมเนี่ย โหนี่เลยเข้ามาหาตัณหาเข้ามาถึงอุปาทานเลยเดียนี้ี่สมุทยัยสัจจะนี่พูดถึงสมุทัยสัจจะทั้งนั้นนที่พูดทั้งหมดเนี่ยมีสมุทไทยมันร้กาดมากมความเข้าใจผิดหึงนั้นอย่าแปลกใจเลยนี่มันทำตลอดเวลาและสิ่งต่างๆ ต, ต, ตรงเนี้ยเราดำเนินในช่องทางที่ในมารการศาสตร์ในในใ น, ใ น, ในอริยศัสต ร, ร์ข้อสองตลอด แทนที่เราจะดําเนินเข้าถึงมัชฌิมาปฏิบัติมันดําเนินในเอข้อสองมาเป็นหลักการในการปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะเป็นมัชฌิมาปฏิบัติได้อย่างไรแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร้ <c oughs> รจะทํำยังไงแต่เนี่ยนี <c> ่ <oughs> ไม่สามารถเข้าถึงสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้สัมมาทิฏฐิเริ่มเกิดหรือยังเริ่มเกิดความรู้ความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นมานี่เป็น สัมมาทิ่ิสมาทิฏินี่แหละสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดอันนี้เป็นปัญญาที่สาสมารถที่จะไปจัดการสิ่งเหล่านี้ได้มีอะไรทำไหมมีไหมเข้าใจยากไหมได้ยากไหมไม่ยากเลยเยอะทับหน่อย เล <c oughs> ยไปคิดขนาดนั้นเพราะว่า <c oughs> ไม่ง่ายเลยกระบวนการศึกษาในพุทธศาสนามันหลุดไปตั้งนานแล้วมันขาดตอนไปมันเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองเกิดการละสามระสายในวงการพุทธศาสนาบ้านเมืองบางยุคบางสมัยมันเกิดภาวะสงครามค ำ, คำพงคัมภีร์คำสอนถูกทำลายพระเองต้องหนีละหกละเหิน เกิดความระสับระสายการศึกษาขาดตอนเกิดภาวะสงขาเป็นสิบปี20ปีการศึกษาก็ขาดตอนพัฒนียนี่บวชเข้ามาก็ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ก็เข้าไปหาเรื่องเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วต่อมาพอกลับมาจะมาระดมกันใหม่ไอ้วิทย์ไอ้ความรู้ผิดๆมันก็ยังติดตัวมาอีกอะไรต่างๆเหล่าเนี้ที่เข้ามาจะได้ศึกษาพุทธธรรมคำสอนอย่างแท้จริงก็ไม่ได้ศึกษานี่นะ รายละเอียดมันเยอะมากแล้ยิ่งมายุคปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยพอคนที่จะศึกษาคําสอนประพฤติปฏิบัติจริงๆขึ้นมาญาติโยมส่วนใหญ่ไม่เห็นไม่ส่งเสริมไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นประโยชน์คนศึกษาประพฤติปฏิบัติจริงๆก็เลยเป็นชนกลุ่มน้อยสู้เครื่องรังของขั ง, งไม่ได้สู้การอ้อนวอนร้องของไม่ได้สู้การบวชบาลสารกล่าวไม่ได้สู้การปลุกสุงปลุกเสกไม่ได้อย่างนั้นรู้สึกคนชอบใจมากราบสกาละเยอะ คนก็ไปติดตรงนั้นกันขึ้นมาก็ไปกันใหญ่แต่เนี่ยไปไปมาก็เลยแยกไปออกเลยระหว่างพูดเอ่ยพามอือมองมั่ว ก, กันหมดมันก็เรื่องมันเยอะพอ ม, มองมองออกแล้วก็รู้ว่าเอออะไรมันเกิดขึ้นให้มันเข้าใจแต่เราอย่าไปหลงกับดักตัวนั้นทํายังไงที่เราจะเข้าศึกษาคําสอนให้ทงแท้เอามาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตนเองให้ออกจากทั้งสารทุกข์ให้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากกว่ามันก็ให้เข้าใจว่าเนี่ยแหละคือโทษของวัตตาโทษของการที่ สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งหลายปัญหาอุปสรรคทั้งหลายก็เมือนอย่ยุคปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมวัตถุกรรมมันก็เฟื่องฟูเกินใช่ไหมกิเลสกรมวัตถุกรรม ก, รก็เฟื่องฟูมากมนุษย์ทั้งหลายมีกิเลสอยู่แล้วพอไปเจอวัตถุกรรมเฟื่องฟูอย่างเงี้ยก็ตอบสนองทําให้กิเลสเนีโหมีกําลังมากขึ้นไปไปมามนุษย์ก็เลยไม่อยากไม่อยากศึกษากันแล้วเนี่ยไปไปมาก็ติดแน่นในวัตถุกรรม เวลาจะมาศึกษาคำสอนกันได้มาสองวันสามวัน <c oughs> วคิดว่าจะเข้าใจเลยเข้าใจไหมทำสอนมันต้องมันต้องเรียนรู้เป็นไปตามลำดับมับนไม่มามาสามวันจะเข้าใจเองกลับไปก็บอกโอ้โหดีจริงจริงอะ ง, งั้นกลับไปก็ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นการมคุณก็ไปเอียงเข้าหามาัชฌิมาปฏิปทามไม่ได้ตามเดิม จริงไหมแม่งมันก็เปน็นอย่างนี้ <c oughs> นี่แหละถ้าเราเข้าใจกระบวนการของความสัมพันธ์วงจรของปฏิจจสุบาทเมื่อประสบสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บ เ, เวทนาอันอร่อยมันก็เกิดตัณหาชอบใจอยากได้พอเกิดเวทนาเกิดตัณหาชอบใจก็เกิดกามุปาทานพอยึดติดในสนิ่งนั้นอยากได้ว่าจะต้อง เอาต้องเสพต้องครอบครองสิ่งนั้นให้ได้ก็เกิดทิฏฐุปาทานก็ยึดมั่นว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะดีจะได้อย่างนั้นจึงจะเป็นสุขต้องให้เสพสวยครอบครองอย่างนี้ประเภทนี้ชีวิตถึงจะมีความหมายหลักการคําสอนอะไรๆจะต้องส่งเสริมการแสวงหาได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ถึงจะถูกต้องก็เกิดศีลัล้ประตุปาทานสร้างรูปแบบขึ้นมาทีนี้เมื่อประพฤติปฏิบัติศีลปฏิบัติพจน์ตามขนบธรรมเนียมแบบแผน ระเบียบต่างๆก็มองในแง่วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้นั้นหรือจะต้องเป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้นั้นก็จึงย่อมประพฤติปฏิบัติและเกิดอัตวาทุปาทานนะยึดมั่นในตัวตนที่จะได้เสพจะได้ครอบครองจะได้เสวยจะได้เป็นใหญ่จะได้เป็นที่ยอมรับมันก็เล็ก การเวทนาเป็นปัจัยเกิดการมุปาทานการมุปาทานก็เป็นปัจัยเกิดทิฏฐปาทานทิฏฐปาทานก็เป็นปัจัยเกิดศีลัปุตตปาทานศีละปุตตปาทานก็เป็นปัจัยเกิดอัตตวาทุตผู้ปาทานมีอัตตาตัวตนเป็นผู้เข้าได้เสวยได้ครอบครองได้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นโดยสรุปอุปาทานทําให้มนุษย์ปุจจิชนมีจิตไม่ปลอดโปร่งไม่ผ่องใสความคิดไม่แล่นไม่คล่องไม่เป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัย ไม่สามารถแปลความหมายตัดสินและกระทาการต่างๆไปตามแนวทางหเหตุปัจจัยตามที่สมควรจะเป็นได้เลยโดยเหตุผลที่บริสุทธิ์นะแต่มีความแต่มีอะไรมีมติที่ดีมีมีความติดข้องมีความเอียงเอียงมีความคับแคบมีความขัดแยง้งไม่เป็นไม่ชิมาบริบทาเลยนะเนี่ยไม่สามารถดําเนินกระแสชีวิตเข้าสู่ทางสายกลางได้ความรู้สึกก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความบิดพันที่เกิดมาเพราะยึดว่าเป็นตัวเรา เป็นของเราเมื่อเป็นตัวเราเป็นของเราก็ต้องเป็นอย่างก็ต้องเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นใช่ไหมแต่สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือเป็นไปอย่างที่เราอยากให้มันเป็นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของตัวเราเนี่ยเมื่อมันเป็นอยู่มันมันไม่เป็นไปตามความบังคับหรือความอยากมันก็เป็นไปอย่างอื่นตามที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็ขัดแย้งมันก็กดขัดแย้งบีบคั้น สิ่งที่ยึดถูกกระทบเมื่อใดตัวเราก็ถูกกระทบเมื่อนั้นสิ่งที่ยึดมีมากมีจํานวนเท่าไรตัวเราก็แผ่ไปถึงเท่านั้นแหละ ย, ยึดไว้ด้วยความแรงเท่าไรตัวเราก็ถูกกระทบแรงเท่านั้นทีนี้ผลที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แต่เพียงความทุกข์เท่านั้นแต่หมายถึงชีวิตที่เป็นอยู่หรือการกระทำต่างๆตามอานาจของความคิดอยากไม่ใช่อยู่หรือมัน กรณีอย่างนี้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ไม่อยู่ด้วยปัญญานี่เพราะต่อจากอุปาทานกระบวนการมันไม่ได้อยู่แค่นั้นใช่ไหมจากอุปาทานก็ไปเป็นภพกลับมาพบเป็นต้นแล้วไปเป็นชาติไปเป็นชรามรณะก็เกิดความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความแคบแค้นใจก็ตามมาพอโศกกระปรีเทวาเป็นต้นแล้วเนี่ยบุคคลก็ย่อมหาทางออกด้วยการคิดตัดสินใจกระทาต่างๆ ต, ต, ตามความเคยชิน ตามความโน้มเอียงตนเองตามความเข้าใจและความคิดเห็นที่จะยึดมั่นสะสมไว้อีกโดยไม่มองเห็นกระบวนการที่ประสบในขณนะนั้นตามที่มันเป็นไปจริงๆนะไอ้วงจรอย่างนี้มันก็เริ่มมาอาวิชาก็กลับมาหมุนหมอนความไม่รู้ก็มันหมุนกลับอย่างเดินเอาวิชาเป็นกิเลสพื้นฐานอยนะู่แล้วพ อ, อวิชาเกิดสังขารก็เกิดวิญญาณก็เกิดนามรูปสราญตนาภาษาเวทนาก็วนไอ้หลุดเดิมอีกเข้าไปตั้หาวปลาทานเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละ กระแสะชีวิตมันก็เลยกลายไม่สามารถดำเนินไปตามมัชิมาปฏิปทาแล้วก็จะออกจากความทุกข์เป็นต้นได้เมื่ออวิชาเป็นไปอย่างมีอย่างมืดบอดเลื่อนลอยตัณหาก็ไม่มีหลักไม่ถูกควบคุมก็เป็นไปสุดแต่ว่าจะได้สนองความต้องการให้สำเร็จใช่ไหมย่อมมีทางให้เกิดกรรมฝ่ายชั่วมากกว่าฝ่ายดีเลยตอเนี้กายยุจริตวจิตรจริญมโนเจริญมันก็เกิดมากกว่ากายยสุจริษแลแ้วตนี้ เมื่ออวิชาถูกปรุงแต่งดัดแปลงด้วยความเชื่อในทางที่ดีงามความคิดที่ถูกต้องความเชื่อความเข้าใจที่มีเหตุผลตันหาถูกชักจูงให้เป็นไปสู่เป้าหมายที่ดีงามถูกควบคุมขัดเกลาปุ๊บมันก็ขับไปพุ่งไปอย่างมีจุดหมายก็ย่อมให้เกิดผลที่กรรมดีเป็นประโยชน์ได้อย่างมากเต้นต้นมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเกิดความรู้ความเข้าใจแค่ไหนกระบวนการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสายน้ําเนี่ย ยังไยน้ำที่มันไปตามธรรมดาตามธรรมชาติของมันเนี่ยเราจะเปลี่ยนเอามาเป็นประโยชน์หรือเอาให้เป็นโทษตามที่มันเป็นเนี่ยก็ต้องดูต้องเกิดความเข้าใจแค่ไหนเ น, นี่ยตรงเนี้ยนะถ้าเราจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจกระบวนการของปฏิจจสุบาทมันก็เป็นสายเกิดอยู่เลยไปใช่ไม่มสายดับมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นยากไหม ไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องให้ข้อมูลความรู้เพอะถ้าวิชาเกิดแล้วเนี่ยวิชามันก็ดับใช่หมไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิมันยึงสำคัญที่สุดนะพอถ้าสัมมาทิฏฐิมาปัญญามาแล้วเนี่ยวิชาคือความไม่รู้ก็หมดไอ้แต่เนี้ยกระบวนการสายดับมันก็จะเกิดขึ้นจริงจริการดำเนินชีวิตมันก็จะเข้าสู่เส้นทางของมัชฌิมาปฏิปทาได้มันก็จะไม่เข้าไปสุดโตง่งใช่ไหม มันก็จะไม่เป็นการมุปาทานที่ถูกท า, านหรือมันก็จะไม่ไปการมาสุขริการนิโยกและอัตกิลามทานิโยกไอเส้นทางจุดแบ่งตรงเนี้ยมนุษย์ต้องเข้าใจจริงๆนะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรล้วมีความเข้าใจอย่างไรศึกษาคำสอนล้วสามารถนำไปฝปึกฝนประพฤติปฏิบัติได้จริงๆไอ ต, ตรงนี้ก็ต้องค่อยๆว่ากันไปใช่ไหมพบอกป้าไปต้องทาอย่างนี้ก็ไม่ได้อีก แช่นว่าเอาให้ทําอย่างนี้นะให้เดินอย่างนี้ให้ยืนอย่างนี้ให้นั่งอย่างนี้ได้ไหมมันเรื่องความเข้าใจก่อนเปนรูปแบบมาที่หลังหลักการวิธีการมาที่หลังไอความเข้าใจกับสมาธิถีนต้องมาก่อน <c oughs> หรือสมมติว่าอา้าคนคนนี้ยังไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์อะไรเลยเนี่ยสมาธิถียังไม่เกิดก็สร้างรูปแบบให้เขาก่อนสร้างวิธีการนี่เขาฝึกสียังไงฝึกสมาธิยังไงแล้วก็เขาให้ปัญญาต่อนี่ก็ว่ากันอีกทีแต่ต้องอยู่ใกล้ครูอาจารย์นะ แต่ถ้ากรณีที่เราต้องการจะห่างกันเลยเนี่ยนะอันนี้คุณต้องต้องต้องสร้างสมาธิที่ให้ชัดทุกขั้นตอนแล้วคุณก็ไปดําเนินชีวิตของคุณไปาการกมีสองวิธีเราชอบวิธีไหน <c oughs> ถ้าอย่างนี้มันก็ต้องเอาและที่นี่อยู่ใก ล, กลาา้กัญญาณมิตรกัญญาณมิตรก็บอกขั้นตอนบอกวิธีการอันนี้ก็เ อ, อมีรูปแบบก็ไม่เป็นไรเพราะจะฉลาดในรูปแบบเข้าใจรูปแบบไม่ไปยึดรูปแบบเป็นสีและประตู ป, ปาทานใช่ไหมล่ะ ถ้าไม่มีคอนคอยแนะคอยบอกคอยกล่าววางรูปแบบไว้ตัวมันก็ทําตามรูปแบบก็ติดรูปแบบอีกยึดรูปแบบอีกก็เป็นอัตวาทุบาทานก็เอียงอีกไม่เข้ามาชิมาปฏิปทาอีกนั่นก็เป็นแบบนี้เลยสรุปแล้ววันนี้ได้ตัณหาระดับหนึ่งแล้วนะตัณหาในรายละเอียดตัวสมุทรยศ จ, จะมีหลายตัวว่าถึงตัณหาด้วยเข้าไปถึงอุบาทานด้วยตัดาคาตมังทุกขสมุทรโยอริยสัจจัง ยาหยางตันหาโพโนอโภวิกาณันธิราคัสกตาตัตตรตรามิรันดีนสยอทิทางการ ม, มาตันหาบาวตันหาวิภวตันหาอีทั้งโขภนะพิเวทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อทรงพระองะคง์มีพระมหากรุณาธิคุณตัดเทศนาในทุกขริยสัจจบแล้วก็ทรงสมีพระมหากรุณาธิคุณอีกตรัสทุกขสมุทัยอริยสัจต่อไป พระเจ้ากระตัสบอกว่าเป็นกะเถตุกมัยตาปุชานะถามเองตอบเองตัดทะกตะมังทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขสมุทัยอริยสัจนี้เป็นประการใดถามเองนะแล้วก็ตอบบอกว่าพิกเขวดูก่อนภิกษุทั้งหลายยาหยังตันหาตันหาใดที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายปฏิสนธิกําเนิดเกิดมาในพบใหม่โปโนโภวิการเนี่ย ปัญหานั้นคือความกำหนัดยินดีในวัตาสงสารสัตว์ทั้งปวงบังเกิดในพบใดๆความกำหนัดยินดีก็มีอยู่ในพบนั้นๆเออเกิดในสัตว์นรกยังไปยินดีในสัตว์นรกเลยเนี่ยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแม้เป็นพรหมเนี่ยก็ไปยินดีในพบนั้นๆไม่เว้นไม่ว่างไม่เสื่อมไม่คลายเลยเนี่ยความยินดีในรูปารมณ์ ในสีในเสียงในกลิ่นในรสในผลิภัรัดดึงตรึงตาแน่นหนาอยู่ในสันดานของสัตว์เลยเป็นรัชชวิยะเลยอุปมาเหมือนึงเชือกเหมือนเชือกที่ล่ามสัตว์ไว้ให้ล่ามไว้ให้ท่องเที่ยวในสังสารในวัฏสงสารเวียนไายเวียนเกิดอยู่อย่างเงี้ยกำเนิดในพบน้อยบ้างพบใหญ่บ้างต้องสวยทุกขเวทนาด้วยกองทุกขก็คือชาติทุกชราทุกนี่แหละ พยาที่ทุกเบียดเบียนบีทาบหยิบยะมรณะก็คอยตัดรอนชีวิตไม่ให้ขาดกันเปรียบเหมือนกับนายเพชฌฆาตที่ฟาดฟันด้วยดาบอันคมกราสว่า ง, งั้นเถอะแสนจะยากลำบากเนี่ยทำให้สัตว์นั้นตายในที่นั้นตายแล้วไปเกิดใหม่อีกตายจากที่น่นก็เกิดใหม่ก็ต้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยในพบน้อยพบใหญ่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนี่แหละด้วยรัโชรัโชก็คือเชือก เชื่อกคือตันหาผูกมัดเขาไว้ทำให้ออกจากพบไม่ได้ออกจากวัตตะไม่ได้เป็นเชือกที่น่วงล่ามสัตว์เขาไว้ให้เคลื่อนย้ายไปตามนั่นแหละเป็นนะกามาภูมิบ้างรูปภูมิบ้างอรูปภูมิบ้างกามตันหาอย่างหนึ่งบะวาตันหาอย่างหนึ่งวิปวตันหาอย่างหนึ่งกามตันหาคืออะไรก็คือโลภกิตมีปรารถนาเป็นกาการมาคุณนี่แหละ ปรารถนาจะบังเกิดเป็นมนุษย์บ้างปรารถนาจะเกิดเป็นเทวดาในจาตูมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตานิมาดลีปารานิมิสวาสวัสดีเป็นต้นเหล่านี้ยนี่ปรารถนาเกิดในกาลมาภูมินี่แหละเขาบำเพ็ญทานบั่งรักษาศีลบั่งสร้างกองกุศลทั้งปวงก็ปรารถนาให้เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเนี่ยละนี้เป็นเชือกนะเป็นเชือกในการปรารถ น, นาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่านี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจ เหตุว่ า, าพระิยาเจ้าทั้งปวงท่านเห็นท่านบอกว่าเนี่ยนี่เป็นกามาตัญหาส่วนเพะว่าตัญหาเป็นยังไงเพราวะวตัญหาได้แก่โลภะเจตสิกอันประกอบไปด้วยสัสตตาถิทิเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าถ้าไปเกิดเป็นรูปปภมเอ ร, รูปปภมเออจะได้ไม่ไม่ต้องชะลาไม่ต้องวรณะถ้าไปเกิดในภพนี้แล้วไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายมั่นคง เที่ยงแท้ถ้าเออไปอยู่บนนั้นจิตเราได้ยินดีในฌานยินดีในสมาบัติเหมือนี่เป็นภาวะโลภะแล้วปรารถนาจะเกิดในรูปรภพนี่เป็นภวะตัณหานี่เป็นทุกขสมุทัยอริยสัจประการหนึ่งนะมันมั่นคงนี่ไปเกิดในภพเหล่านี้ยวิภาวะเป็นยังไงนิโลภะจิตที่เกิดร่วมกับอุเฉททิฏฐิยินดีในฌานสมาบัติสําคัญว่าทําแม้ ไม่ได้บังเกิดในพรหมโลกก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่กรหาไม่ได้ก็จะได้ดับเพราะงั้นเถอะไปเกิดเป็นพรหมปุ๊บจะได้ดับและจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยนี่ก็ไปเข้าใจว่านั่นพรหมโลกเป็นนิพพานนะเช่นปฐมฌานเป็นนิพพานทุติยฌ า, านเป็นนิพพานตติยฌานเป็นนิพพานของเขาเขาเข้าสมาธิเขาได้นิพพานของเขาแล้วพอเขาเป็นพรหมปุ๊บตายอย่างพรหมปุ๊บขาดศูนย์ไปเลย ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเลยนี่เป็นรูปแบบอย่างอุกฤษของเขาาก็เข้าใจอย่างนี้เลยพวกเนี้ยเขาเข้าใจว่าอารมุปรชาส น, นี่แหละหรือพวกฌานทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละยจะทําทให้เขาขาดศูนย์ไปเกิดในรู ป, ปภพก็เชื่อวิปว่ า, ววาจัดว่าเป็นทุกขสัมมุทัยอย่างหนึง่งนี่เป็นเข้าใจอย่างเนี้ยนี่อย่างอย่างแบบตัวแท้ของเขาเลยเป็นแบบนี้ผู้มีปัญญาก็บอกว่าตั้นหาสามประการนี้ชื่อว่าทุกขสัมมุทยัยเพราะถต่ว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดกองทุกข มีชาติทิฐุกชราทุกพยาทิทุกเป็นต้นจนถึงนี่แหละเบญจกามคุณเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดในทุกขในกามะพบเพราะว่าตัณหาวิเพราว่ตัณหาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ชาติทิฐุกในพรมโลกเป็นต้นอย่างนี้กองทุกทั้งปวงมีชาติทิฐุกเป็นต้นนั้นจะได้เกิดมาแต่ที่อื่นก็หาไม่ได้มาจากตัณหาอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเว้นตัณหาแล้วเนี่ยชาติทิฐุกชราทุกพยาธิทุกมาแล้วนะทุกมีได้ไหมสังสารวัฏก็มีไม่ได้นี่แหละ ตรงนี้ตัณหาจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ทีนี้เมื่อตัทเทรตัณหาเป็นแนรมต่างๆแล้วเนี่ยพธเจาก็ตั้งกเทตุกมยาตายปุจฉายนะาเนี่ยสาโขปะปเนสาตัณหาตัดถาเป็นตระดุดูกรภิกษุทั้งหลายตัณหาเมื่อจะบังเกิดขึ้นนั้นเกิดในสถานที่ใดก็จะแผ่ซ่านไปในที่นั้นเวลาแผ่ซ่านไปในที่ใด ก็จะได้ตรัสบอกว่ายังโลเกปียาลูปังเป็นต้นแล้วเนี้ยสิ่งใดเป็นที่รักใข้เป็นที่ชอบใจเป็นที่เจริญใจเป็นที่ยินดีปีดาปลาโมดตัณหาก็จะบังเกิดในที่นั้นนั้นประพฤติสร้างไปเนืองเืองในสิ่งนั้นนันี่คงเลยจัดตัณหาตัณหาเลยคืออย่างนี้ยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธภพ ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์และทำอารมณม์อดีตหกปัจจุบันหกอนาคตหกเป็นเท่าไหร่เป็นได้่เม้งรูปปัญหาสัทธาตัญหาคันธาตัญหานะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณธรรมอารมณ์หกในอดีตหกปัจจุบันหกอนาคต สิบปดเนี่ยภายในตนสิบแปดภายนอกเท่าไหร่สิบแปดสิแปดบวกสิบปดเป็นเห็นไหมสามสิบหกแลยเห็นไหมตัณหาในกางมาพบเนี่ยก็สามสิบหกในรูปประพบก็สามสิบหกในรูปประพบก็เป็นสามสิบหกก็กลายเป็นตัณหาเท่าไหร่เนี่ตัณหาร้อยแปดเนี่ยนี่เป็นไป ล, ลักษณะอย่างนี้อันนี้ไปแยกโดยพิสดาร น, นะไม่มีอะไร กรณีอย่างนี้ว่าทามองถึงในเรื่องของสภาพของตันหาเป็นสมุทยัยสัจจะสมุทยัยอริยสัจเริ่มเห็นหรื อ, อยังหมดเวลาแล้ว <laughs> หมดเวลาแล้วหมดหรือยังหมดเวลาแล้วมีอะไรถาม ที่ไ้ถามนะั้ยไม่มีนะสิบสามกอง<ม>ใช่แล้วก็เห็นความจริงเมื่อเรารู้ความหมายที่แท้จริงพวกก็มาพิจารณาความจริงที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่ามีอาวุธคือปัญญาที่จะสามารถเข้าไปวิจัย แล้วในที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยตันเขาเรียกว่าทําลายที่ตั้งของตันหานักเข้านักเข้าตันหาก็จะไม่มีที่เกิอดอีกต่อไป <c oughs> เขาจะงดหงิดมากใหม่ๆตันหาก็จะหงดหิดมากว่าอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเลยแล้วเขาจะอยู่ยังไงไม่ใช่เราทุกใจแต่ตันหาทุกใจเลยตอนนี้ใช่ไหมล่ะชาติททุกข์ก็ไม่ดีชาราทุกข์ก็ไม่ดีพยาธิทุกข์ก็ไม่ดีมรณะทุกข์ก็ไม่ดีแล้วเขาจะอยู่ยังไงเนี่ย แต่ก่อนมันดีนี่เราชื่นชมมาเนี่ยนี่คุณไปเอาข้อมูลของใครมาใครบอกคุณพระวิเชียรบอกพระวิเชียบอกจริงหรือเปล่าอย่าไปเชื่ออ่ะแยงกันแหละแต่เข้าใจไหมเนี่ยตรงนี้โอวิจัยมากมายเรานี่โอ้แต่หาเดือดร้อนทุกมากมัไม่อยากฟังเลยแต่เนี้ยไม่เอาแล้วฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนี่พอใจไปครับแต่พอปัญญาก็ไปรู้ครับ ไ, ไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์มากตรงนี้ แล้วก็แล้เขาตัณหาก็ดิ้นหลนกระเสือกรอนะออกระสนอยู่ไม่ได้อ้าววุาวทิศน์กระสน